จากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องสะสมวิชาเก้าโดยพ่อท่านโพธทิรักษ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2526น้าณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นาบัตรนี้ค่ะ ระมัดระวังกันอยู่หน่อยก็คือเวลาเราจะบอกกันเวลาเราจะติจะติงกันก็นกดูดูว่าภูนี้เราจะติติงด้วยคําแรงในคำหนักหนักได้ไหมถ้าติอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะต้องใช้การติด้วยคําไม่แรงอย่างไรติกันอย่างไรพอเหมาะพอดีต้องประมาณหัดเป็นนักประมาณจะได้เกิดจะได้เป็นสัตบุรุษ ถ้าเราไม่หัดประมาณไม่ได้เป็นสัตตบุรุษเราหัดประมาณกายกรรมหัดประมาณวจีกรรมหัดประมาณมโนกรรมไ อ, อ, อประมาณมโนกรรมนั่นประมาณลงไปให้มันจนกระทั่งเราสามารถกําหนดได้ไอประมาณตัวสําคัญก็คือประมาณไม่ให้มีกิเลสเลยเป็นตัวเหตุปัจจัยให้มีแต่ตัวรู้ตัวรู้ตัวยานทัศนวิเศษตัวเก่ง ตัวที่รู้ยิ่งรู้ยอดแล้วก็มีวิจัยวิจารณ์แล้วก็เอามาใช้จะให้เกิดก็เกิดได้จะให้หายไปก็หายได้ทําให้ปรากฏก็ปรากฏได้ทําให้หายไปก็หายได้มีความสามารถเป็นพระเจ้าที่จะบรรดาลทุกปานนั้นมีอิทธิวิธีสามารถทําให้มีขนาดนี้ขนาดนี้ได้ตามประมาณตามที่เรากําหนดประมาณแม่จะเป็นกายกรรมแม่จะเป็นวจีกรรม โดยเฉพาะมโนกรรมถึงปานนั้นทีเดียวศ า, าสนาพูดสอนเราละเอียดลราอให้เราฝึกฝนอบรมเราจะพูดเอาบอกแล้วว่าพูดเอาพูดเอาว่าเออเราจะไปทํำในงนี้มาแล้วอย่างนี้เราทําเอาก็ได้เราจะทําอย่างนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้เราจะมาพบมาปะกันเราจะมาสอนกันเราจะมาทํางานร่วมกันเราจะมาน่นมานี่ไม่ได้ง่ายๆไม่ได้ง่ายๆ ถ้าเราไม่เคยสังสรรค์กันไม่เคยทำงานร่วมกันไม่เคยรู้จริตนิสัยกันไม่เคยคบคุ้นกันมาสัมผัสแต่ต้องเขาแล้วยิ่งเราเองเราไม่ได้เป็นมนุษย์ประเภทที่อดทนได้เข้าใจได้แล้วก็ตอบรับกันได้อย่างสอดคล้องคนนั้นมาแรงแล้วก็เบาหน่อยคนนี้ไปเบาเราก็แรงนิดได้อะไรต่างๆสอดร้อยกันอย่างประสานสมานกันดี มันไม่ใช่ปากพูดนะขนาดฝึกหัดอบรมอยู่ด้วยกันมาขนาดปานชนีเราจะเห็นได้ว่ามันยังมีอะไรกระทบมันยังมีอะไรแรงไปหน่อยเบาไปนิดกระทุ้งไปกระแทกมาอะไรกันอยู่ด้ยซ้าแต่จะให้ต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละต่างคนต่างชฉยต่างคนต่างเฉยนัยน่นไม่ใช่ระบบนั่นไม่ใช่วิธีการที่จะพัฒนามนุษย์นั่นเป็นความเสื่อม วิธีการต้องชี้ ต, ต้องริงเป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดีต้องมีสันเลขธรรมมีการขัดเกลากันขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้น้อยผู้ใหญ่อะไรก็มีปรบารณามีการอาบอกกันแจ้งการเปิดเผยกันเ อ, เอาหน้าช่วยติดช่วยเตือนระบ้างมีอะไรอะไรก็ช่วยเหลือเฟือไฟเระบ้างอาบอกเลยแนะนําเลยมีอะไรก็ว่ากัน รารนากันอย่างนี้นี่เป็นลัทธิพุทธแล้วก็ทากันจริงจริงหัดวางใจจริงจริงจจะได้ลดกิเลส ต, ตัวมานะของเราตัวตนของเราขณะเราตั้งใจอย่างนั้นก็จะเห็นได้เลยว่ากิเลส ข, ของเรานี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่เรื่องเล่นๆตั้งใจแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจระบบวิธีแต่พอเอาเข้าจริงหน่อยบางทีบางทีมันยอมเสมอไหล มันก็ยังผีมันก็ยังตัวโตเป่งขึ้นมาทันทีแล้วงับมันกยังไม่เคยได้เลยเราต้องทําฝึกฝนไปจริงๆจนกระทั่งแนบเนียนเหมือนตัวอย่างที่ก็ดูทราบซึ้งดูเข้าใจกันหลายคนตัวอย่างทารหอนที่เหมือนฟักทองที่มันค่อยคเกิดค่อยคโตอ่ามันค่อยค่อยสะสมอนุเนี๊สะสมแรงสะสมความถ่วงสะสมอะไรจะได้อยู่ตั้งแต่ลุกเลขมันอยู่กะเทานิดเดียวอ่ะฟักทอง เท้านิดเดียวมันอยู่กับมันแรกๆเจ้ากระั่งมันก็ค่อยปรับตัวปรับตนก็ค่อยรู้สึกตัวก็ค่อยอะไรจนโตลูกเท่านี้มันอยู่ก็มันได้ไม่มีขาดไม่มีไปไหนอยู่อย่างดีอย่างนั้นนะถ้าเพราะว่าอวดดีจะไปเอาฟักทองลูกโตนะั้นมาผูกไอ้เท้านี้เข้าแม้แต่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ผูกก็ไปรับรองรูดเลยหนกรูดตก จากเท้าเลยหรือไม่ไก็ผูกกระเทา้าเท้าฉีกเท้าขาดหักออมาทันทีไม่เชื่ อ, อไปลองดูสีเอาลูกฟักทองตัวโตลูกตัวนี้ไปผูกกระเท้าเท้าฟักทองเท้าไหนที่ว่าแน่ๆเอาไปผูกรองดูดิไม่ยู่รอกหักเถ้านั้นนะหกักเท้าแค่นี้แล้วในในกลวยเลยนะเท้าฟักทองเนี่ยไม่ใช่ว่าเท้าเท่านี้แล้วข้างในแน่นหนาแข็งเหมือนทั้งเหล็กเปล่านะไม่หรอกนะหัก ไม่อยู่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องสะสมแต่ละวันแต่ละคืนค่อยๆเป็นไปเหมือนนักยกลูกเหล็กนักยกน้ำหนักที่มีท่ามีวิธีการมีอะไรจะต้องสะสมวิธีสะสมค่อยๆชินค่อยๆเคยค่อยๆเข้าใจถึงจะทำได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเป็นนักมีกำลังวังชาแล้วก็มายกลูกเหล็กเลยเราจะยกได้ สามารถไปแข่งขันเป็นนักยกน้ําหนักแชมเปี้ยนอะไรได้ไม่ได้หรอกต้องมีท่ามีทางต้องมีเหลี่ยมมีมุมต้องมีสิ่งที่สอดร้อยประสานขนาดยกตัวอย่างอันนี้นี่จะยกตัวอย่างการยกน้ําหนักก็ตามยกยกตัวอย่างฟักทองที่เกิดในเถามันก็ตามมันจะต้องมีสภาพที่จะต้องเกื้อหนุนสอดร้อยทําให้มันเป็นไปได้กว่าจะเป็นไปได้กว่าจะ อยู่ตัวกว่าจะเรียบร้อยของมันได้อย่างนั้นน่ะอาศัยวันอาศัยคืนอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งที่เขามาเสริมมาหนุนอย่างนั้นอย่างนี้ต่า ง, างๆนานาเนี่ยยกตัวอย่างสองอย่างยังน้อยไปกว่าคนที่จะอยู่กันเป็นหมวดโม่ต่างคนต่างมีกิเลสและมีจริตที่ไม่เหมือนกันเนี่ยยังน้อยกว่านะน้อยกว่าคนนะ ยิ่งคนมากคนอยู่รวมกันไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าแกมีความต่างกันระหว่างวัยระหว่างความรู้ระหว่างชาติกำเนิดระหว่างคุณวุฒิระหว่างจริตระวางนิสัยระหว่างอารมณ์ระวางอะไรต่ออะไรที่ต่างกันอยู่นี่โอ้โหคุณไม่ใช่เรื่องง่ายๆตื่น้นขนเขินๆน ก็จะเข้ากันได้สนิทเนียนประสานสมานกันเนี่ยไม่ใช่เราจะนั่งคิดเอาเองหรอเเรามาเมื่อไรก็ได้ยิ่งไปในสถานที่ที่เขาเป็นอยู่อะไรตัวใดต่างๆนานๆนานพบกันทีไม่เก่งนะที่จะไปประสานไปสมานหรือว่าไปสอนไปสร้างค่าไปสร้างประโยชน์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่จึงเป็นทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีที่จะได้ประโยชน์ทันทีเป็นทฤษฎีที่จะได้ประโยชน์เร็วเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเราฟังแล้วเราก็คิดไตรตรองตามด้วยเหตุผลแล้วเรามาพิสูจน์เป็นภาวนามย์ปัญญาแล้วทํำก็ไปจริงๆเราจะเกิดจะเกิดวิชาะจะเกิดวิชาเพราะเราอยู่ด้วยกันเนี่ย เราก็จะต้องรู้ให้เกิดวิชาเสมอวิชาหรือปัญญาเป็นตัวอยางทัศนวิเศษเป็นตัวรู้เป็นตัวเข้าใจเป็นตัวฉลาดฉลาดที่จะกระทาให้พอเหมะพอดีได้มรดได้ผลได้ประโยชน์แก่กันและกันขัดเกลาเข้าบ้างไม่ขัดเกลาเขาบางครั้งบางคราวอนุโลมบ้างอะไรบ้างยืนยันเราต้องรู้เพราะงั้นอยู่ด้วยกัน ด, ด, ดีโดยเฉพาะคนเก่าๆต้องเป็นหลักเป็นตัวอย่างแนะนํากัน คอยเกือกูนกันเป็นพี่ที่ดีเราก็จะได้มีหมพุทธบริษัทมีนักบวชจริงนักบวชชายมีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่รวมกันเป็นไปสร้างพฤติกรรมในสังคมมนุษย์ที่มีาศาสนาเป็นหลักแกนมีธรรมะมีาศาสนาเป็น เครื่องนำเครื่องพาและสังคมมนุษย์อย่างนี้จะเป็นอย่างไรที่จริงศาสนามันเกิดมาตั้งแต่ยังไม่มีศาสดาหรือยังไม่มีศาสนาที่เป็นโลเป็นพายแ ต, แต่มนุษย์โบราณเป็นมนุษย์ป่ามนุษย์เถื่อนมันก็มีศาสนามันมีความเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนั้นเขาเชื่อถือผูดปีศาจเชื่อถือสิ่งที่เป็นอรูปสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็พยายามที่จะมี ศีลหรือหรือมีอะไรอันใดอันไรก็แล้วแต่เป็นหลักการเขาแล้วก็จะเชื่อแบบนั้นแล้วต้องทาแบบนั้นน่ะซึ่งเขามีปัญญาเท่านั้นเขาก็ทำไปซึ่งสมัยนี้เราเห็นว่ามันงมงายแต่เขาก็เชื่อของเขาจนได้เชื่ออย่างนั้นงั้นแลก็ถืออย่างนั้นประกอบไปด้วยจิตจิตของคนเนี่ยมีอุปทานเป็นไปอย่างนั้นอย่างมีพลัง เพาะฉะนนพลังเขาเชื่อไปตามเรื่องของเขาแล้วเขก็ใช้อุปทานของเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรของเขาเขเป็นได้มันมีพลังอีกอันหนึง่งนอกจากพลังทางกายและพลังทางวิญญาณมันมันลึกซึ้งมันมีความเชื่อถื อ, ขอเขาจริงจังมันาจริงจรงแล้วเขาจะมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะ่ะเป็นพลังแฝงเป็นฝลังพลังที่แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังเอามาใช้ไม่ได้เก่งพลังนี้แต่มันมีในมนุษยชาติมาตั้ไหนตั้ไหนแล้ว แล้วเขาก็เชื่อว่าวิญญาณหรือพลังลึกลับอันนั้นเป็นอํานาจบรรดาลเป็นอํานาจบรรดาลสามารถเป็นไปได้ทําให้เขาเป็นไปได้อยู่ได้เป็นอยู่สุขกันมาหรือเป็นไม่สูญเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเรื่อยไม่สูญพัฒ น, นามาพัฒ น, นามาที่นี้ศาสนาหรือว่าสิ่งที่เขานับถือยึดถืออย่างนั้นมันก็พัฒ น, นาการมาเรื่อย ด้วยปัญญาเกิดปัญญารู้เท่าทันเห็นแจ้งเห็นจริงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นศาสนาที่มีความรู้มีหลักวิธีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมที่ลงร่องลงช่องดิบดีสามารถจะอยู่กันอย่างสมานประสานเกื้อกูลขยนันมันเพียรสร้างสรรค์ถึงกระดาษนั้นศาสนาที่ยังถือว่าพลังวิเศษเป็นก้อดเป็นพระเจ้า พัฒนามามากแล้วมีความฉลาดเฉลียวมากแล้วก็ยังตามมาอยู่จนทุกวันนี้ก็เราก็ยังมีศาสนานที่มีพระเจ้าที่มีฤทธิ์สูงสุดกอดหรือสิ่งลึกลับที่มีพลังสูงสุดทุกวันนี้เรายังมีศาสนานที่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดในดงศาสนานที่มีกอดในความรู้ที่ได้พัฒนามาใน ทางาศาสนาที่มีพลังวิเศษเป็นก้อนนี่ก็ตามเขาก็ได้พัฒนามา ม, ม, า, มากเป็นความฉลาดที่พระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยพระพุทธเจ้ามีปัญญาด้วยมีพระปัญญาที่คุณที่รู้ซ้อนรู้จริงตามเขาเป็นอย่างนั้นถูกต้องมีกระตันยูกระตะเวทีขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละตรงกันมหมดไม่เห็นแก่ตัวไม่สะสมเห็นด้วยมักน้อยสันโดษท่านเห็นด้วย เยอะแยะมากมายที่เขาเห็นเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วเขาทําอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นศาสนาที่มีมีพระเจ้ามีพลังวิเศษจ้าพระเจ้าทำไมเห็นว่าพลังวิเศษนี้เป็นพลังวิญญาณเป็นพลังที่เกิดมาจากมนุษย์มนุษย์มีพลังงานหลายหลายพลังงานที่จะมีบทบาท <c oughs> มีบทบาทมารวมกันเกิดและพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานจิตวิญญาณเนี่ย อะไรอะไรอยู่ล่องลอยอยู่ทุนนั้นตนัว น, นี้มีโนมินี่ท่านก็ศึกษาจนกระทั่งท่งานก็ใจแจ้งเห็นชัดในเรื่องพลังงานต่างๆที่เป็นพลังงานเรก่องจิตวิญญาณแล้วท่านก็มาสร้างทฤษฎีเอาทฤษฎีเหล่านั้นมาสอนสอนมนุษย์พิสูจน์มาตั้งแต่บัดโนจนถึงบัดนี้สอ0พกว่าปีมาแล้วยิ่งมนุษย์พัฒนามนุษย์ที่ชาญฉลาดยิ่งเห็นจริง ศาสนาพุทธมันยังไม่ข้ามไปทางด้านตะวันตกที่เขาใช้เหตุผลตะวันตกนี่ก็ใช่หลักเหตุผลมากกว่าผู้เราชาวตะวันออกนี่เพราะพวกนู้นเขาเอาเหตุผลและเอาสิ่งที่จับต้องได้มากกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นด้านพวกที่เอาของจริงรู้จริงมากทางด้านเหตุผลทางนามธรรมานี่เราก็มีเหตุผล ตะวันออกเราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ใช่เหตุผลทางนามธรรมานีกเยอะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงแพร่หลายอยู่ในตะวันออกนี่มาเพราะเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาแห่งเหตุผลแม้ขั้นนามธรรมาแม้เราจะไม่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์วัตถุเราก็ชอบเหตุผลเพราะการชอบเหตุผลมันชอบคนทั่วโลกมนุษย์พัฒนาก็ชอบเหตุผลว่าอันนี้เราจะพัฒนาต่อ ถ้าเผื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถูกต้องมีเหตุมีผลชัดเจนมีความรู้ที่แม่นยําไม่เพี้ยนไม่เบี่ยวไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งแต่รู้ความจริงสัจจะอะไรต่างๆมากขึ้นทางด้านตะวันตกที่เขาชอบเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาเก่งทางวิทยาศาสตร์ปัะถุม า, มากแล้วมีสิ่งที่พิสูจน์ได้เขาจะมาพิสูจน์นามธรรมา ท, ทาง วิทยาศาสตร์ไอทางศาสนาเนี่ยมันเขาจำน้นต่อความจริงถ้าเรามีความจริงของจริงให้ เ, เขาพิสูจน์ได้เพราะมันต้องอาศัยอะไรหลายอย่างมันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ทีเดียวมันต้องอาศัยจากมนุษย์มันจะมีมนุษย์ที่มีหลักฐานเพียงพอมีสถิติที่เขาจําน้นเขาจะรับศาสนานี่ทันทีและเราก็ไม่ต้องไ ว, ว้วางหรอก เราทําไว้เถอะเราทําแล้วเราก็ได้ประโยชน์ตัวเรานี่ได้ประโยชน์ได้อาศาัยไปคนนี้ก็ได้อาศัยจนกระทั่งชั่วชีวิตคนนี้ก็ได้อาศัยชั่วชีวิตอย่างน้อยเราก็พ้นทุกอย่างน้อยเราก็เป็นคนประเสริฐเป็นคนดีส่วนผู้อื่นสังคมส่วนกว้างส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนมากเขาจะมาเอาตามมันก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปบังคับแต่เขายังมาเอาตามเป็นมวลที่มากมันก็เป็นประโยชน์ส่วนกว้างส่วนใหญ่ออกไปอีก สิ่งดีถ้าเรามั่นใจว่านี่ดีจริงของดีจริงก็จะแพร่จะลายจะกว้างขวางจะมีไปต่อไปหาคนอื่นๆไปออกไปอีกนะเพราะเมื่อเราเกิดวิชาเกิดความรู้เราก็จะมั่นใจจะยืนหยัดยืนยันโดยมันพอใจเองมันมั่นใจนะเพราะสิ่งนี้มันเป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงไม่มีสอง จริงที่สุดแล้วที่สุดปลายแล้วมันไม่มีสองเป็นเอกธรรมเป็นธรรมะเอกธรรมเป็นธรรมะเป็นหนึ่งเอกธรรมอเอกธรรมเมเป็นหนึ่งแล้วมันสุดแล้วมันไม่มีสองหรอกไม่ไแปรปลวนมันไม่เปลี่ยนไปอีกเป็นอันโน้นอันนี้ใหม่อะไรอีกไม่ไม่เป็นมันก็เป็นอันนั้นแหละมั่นใจอันนั้นน่ะ พระอรัตมายืนยันตัวเองเพราะอรัตมาเองจนได้ย่อมรู้จิตตัวเองย่อมรู้ความมั่นใจของตัวเองคุณก็ต้องมาศึกษาตามแล้วคุณก็จะต้องมั่นใจของตนเองเอาเองอย่างนี้ดีแน่ไหมดีที่สุดไม่มีอะไรเป็นสองอัตมาว่าความข ย, ยันนี่ดีกว่าความขี้เกียจ ด, ดีแน่แนเป็นที่สุดไม่มีสอง ความขี้เกียจดีกว่าความขยันมั่งนะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะคําว่าขยันดีที่สุดดีกว่าดีกว่าขาี้เกียจจะให้เหตุผลมันรอบแวดล้อมยังไงก็ความขยันต้องดีกว่าความขี้เกียจแน่นอนพราะฉะนพร ะ, ะ พ, ระรพรุทธเจ้าท่านได้ตราทฤษฎีว่าทําใดวินัยใดยเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทํานั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทําใดวินัยใดยเป็นไปเพื่อความขยันหมั่นเพียร ทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตนี่เป็นทฤษฎีแต่มีเงื่อนไขเหมือนกันในอุปกิเล์ที่มีอัจจารัฐวิริยะมีอติรีณวิริยะมีความเพียนหย่อนความเพียนเกินอติรีณวิริยะเป็นความเพียนหย่อนอัจจารัฐวิริยะเป็นความเพียนเกิ น, น, ย น, ย น, กนขยันไปเพียนมากไป เสียผลแม้เงื่อนไขอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทฤษฎีไม่ได้หมายความว่าเป็นทฤษฎีแต่เป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเป็นอุปกิเลสให้ระมัดระวังในส่วนยอนเพียนก็มีดีเพียนโกินก็ไม่ดีอย่างนี้เป็นตน้นต้องให้ปั้นกลางให้พอเหมาะอย่างนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ไขความเมื่อการขยันเกินไปจนเสียผลเราก็ต้องดู ผลเสียจากอะไรล่ะก็เคยอธิบายแล้วนะวันนี้จะไม่ขอขยายอันนี้ต่อนะทฤษฎีของพระเจ้าอย่าว่าแต่เรื่องขยันที่ยกตัวอย่างนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถยืนหยัดได้ว่าอันนี้เป็นเป็นเอกันสวาทีเลยทีเดียวพูดได้เป็นคำเดียวเป็นเอกธรรมเอกธรรมเมไม่พูดเป็นสองแต่พูดเป็นสองก็ได้พูดเป็นวิพัชวาทีมีเหตุมีผลคานแยง วิพัฒวาทีหมายความว่าคําพูดที่สามารถวิเคราะห์แตกต่างได้วิพัฒชะจะแตกต่างจะมีอะไรเป็นนานาเหตุผลไปอีกได้วิพัฒวาทีเป็น2เป็น3เป็น4แบ่งแยกไปอีกอื่นได้ที่พูดเมื่อกี้นี้แม้แต่ความขยันความขี้เกียจก็วิเคราะห์วิจัยไว้ได้หลายในแต่ที่จบเป็นที่1นั้นเป็นเอกังเป็นเอกังเป็นเอกังสิกธรรมเป็นเอกังสิกธรรมเป็นธรรมะ หและเป็นเอกธรรมหรือเป็นเอกังสิกธรรมนะเป็นอื่นอีกไม่ได้เป็นยอดเป็นปลายเป็นหนึ่งเป็นเอกธรรมนะที่สุดจะต้องพูดเป็นเอกธรรมเป็นเอกธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลักษณะแล้วถ้าเป็นที่สุดที่จบที่ปลายแล้วไม่ใช่ลักษณะมากกว่าหนึ่งทลักษณะธรรมะที่มากกว่าหนึ่งท่านเรียกว่าอเนกังสิกธรรม อนเนกังศิกธรรมเป็นธรรมะที่มากกว่าหนึ่งเป็นธรรมะที่อะไรอะไรไปอีกเยอะแยะได้นะเช่น ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเอเสวะมัคโคนัททันโยทางเอกมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นนี่เป็นคําพูดที่เป็นเอกังศิกฐเป็นเอกังเอกัองสวาทีเป็นคําพูดบอกตัวจบเป็นหนึ่งและเป็นเอกังศิกธรรมเป็นธรรมะอย่างสุดอันเดียว ส่วนทางปฏิบัติที่มีเงื่อนไขมีโน้มมีนี่หลายหลอย่างหลายๆอันประกอบกันก็ <c oughs> พูดได้อธิบายได้เป็นอนเนกังเป็นอนเนกังศิกธรรมหรือเป็นวิพัฒชวาทีนะเป็นคําพูดขยายความอะไรเป็นเงื่อนไขเป็นข้อแม่เป็นอะไรแต่สรุปเข้าหาหลักเดียวสรุปเข้าหาหลักเดียวต้องได้สรุปเข้าหาหลักเดียวต้องได้เมื่อมีเหตุผล คลองจองร้อยเรียงอะไรต่ออไดดำเนินเข้าไปถึงจุดได้ไม่ใช่ว่าตัดวิ่นขาดวิ่นเป็นแท่งเป็นท่อนเป็นคนละท่อนคนละเรื่องเอามาซวมกันตรงไหนก็ไม่ข่าลึกเข้าก็ดูประดักประเดิมไม่เคยสอดไม่เคยคลองไม่เคยร้อยไม่เคยเรียงอะไรเลยดูจับมดยัดมาผสมประสานเข้าไปเฉยๆเหมือนนึอ ง, งอกเหมือนของต่างเหมือนตัวที่มัน ไม่ใช่อันเดียวกันอะไรงั้ยนะนั้ น, น, นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่เมื่อว่าระาปฏิบัติแล้วจะมีอะไรที่วิจิตพิสดารมีอะไรที่ลึกซึ้งเยอะและก็เป็นเรื่องพิเศษที่คนเห็นว่าพิเศษได้ยากด้วยเพราะประกอบไปด้วยปัญญาเราได้อธิบายถึงผลคือเมื่อปฏิบัติธรรมด้วยเจรณะสิแล้วมันจะเกิดผล เป็นจรณะเป็นวิชาวิชานี่เป็นผลจรณะก็เป็นผลเมื่อสมบูรณ์แล้วก็เป็นจรณะพฤติกรรมนั้นเป็นผลพฤติกรรมเป็นผลเป็นเช่นไรเรามีศีลข้อที่หนึ่งว่าสัมรวมศีลสัมรวมในศีลเมื่อเอาศีลมาปฏิบัติจนกระทั่งเราเป็นเรามีเราได้เราเป็นคนมีศีลเป็นอเศกศีลศีลย่อมเป็นเราเราย่อมเป็นศีลแล้วเรียบร้อยศีลจนเป็นปัญญา ปัญญาหยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นศีลอยุดที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปราดย่อมรู้ว่าศีลและปัญญาเป็นของเสมอกันเสมอกันก็คือเป็นอย่างนั้นเนื่องกันเสมอกันอยู่ด้วยกันเพราะศีลดุลหลักต่างๆของปราดหรือของพระาศาสดา ย่อมไม่ใช่ของทื่อๆเป็นของที่มีเชิงมีของที่มีเหตุผลวิจิตมีปรัชญามีปัญญาอธิบายได้ขยายความได้และก็ไม่คานแยงกันลงตัวมันศีลคนนี้เรามีมีทั้งเหตุผลความหมายลึกซึ้งเป็นอธิเป็นความเป็นนวยะอะไรต่างๆนาน า, นาอธิศีลมากมายแม้มากมายละเอียดละออย่างใดอย่างใดความหมายอย่างนั้น ให้เลิกก็ดีเป็นบาปสมาจาร์ให้ทําให้ยิ่งก็ดีเป็นอภิสมาจารเราก็เป็นอย่างนั้นตรงทําได้โดยง่ายได้เป็นปกติเลยซ้าอย่างนี้เราก็เป็นคนมีศีลเหตุผลของศีลความหมายของศีลและเป็นปกติของเรานี่เรียกว่าจบในศีลมีเหตุผลมีปัญญารู้ว่าอ๋อความหมายของศีลเป็นอย่างนี้เรามีศีลเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรามีศีลคือ แปลศีล่าปกติเรือเรามีศีลไปขยายกับความหมายมันก็ไม่ได้ไม่คลืนกันใช่ว่าเรากินเหล้าเป็นปกติกินเหล้าเป็นของไม่ดีควรละเวน้นเป็นเวรมนีหลักเกณฑ์ความหมายก็บอกอยู่แต่เราก็บอกว่าแปลว่าปกติเห็นไหมแบบมันไม่สอดคล้องแล้วคนนี้กินเหล้าเป็นปกติเลยว่าละขวดว่าละกงว่าละกะั๊อกอะไรก็ตามแต่ยางนี้เป็นต้น คนนี้เขาก็ยังแต่งตัวหลงในรูปในรสในกลิน่นในเสียงอยู่เป็นปกติมีมันธะมีวิภูสนถ า, านาผิดศีลข้อที่เจ็ดอย่างนี้เป็นต้นมีการตกแต่งประดับประดามันทนะวิภูสน า, านาเวรมณีเป็นเวรมณีเป็นบาปสมาจารควรละเว้นออกแต่เขาก็มีเป็นปกติเขาก็แต่งตัวเขาอยู่ปกติมันผิดศีลไหม อย่างนี้เป็นต้นมันไม่สอดคล้องกับความหมายไม่ไม่สอดคล้องกับความเป็นมันขานแยงเป็นบาปสมาจารย์ต่องละเว้นเป็นอภิสมาจาร์ทาให้ยิ่งก็ทําไปแต่เมื่อไปบาปสมาจารย์ความหมายอย่างนี้เราก็ต้องรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นการเอาความหมายมาสวมป๊อกเข้าไปโดยไม่มีนัยยะละเอียดเป็นวินัยยะสุสิกิโตเป็นเรื่องลึกเรื่องซึ่งเป็นอริยวินยัยแล้วพูดกันดุย ไม่เป็นอริยวินัยเป็นนัยะอะไรของเข้าไปอย่างนั้นอ่ะอธิบายกันไปไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีความหมายที่สอดคล้องกลืนกันกินกันโมเมยอย่างนี้ไมไปไม่ได้นะไปไม่รอดเมื่อเรามาศึกษาแล้วมีสีลเป็นต้นเรามีสำรวมอินทรีย์จนกระทั่งเราสำรวมเป็นปกติจนกระทั่งเราใช้อาศัยได้ไม่ข้านไม่แยงไม่ขัดไม่เคิร์ มีศีลมีสำรวมอินทรีย์ได้มีการเป็นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเครื่องกินเครื่องใช้โภชเนโภชนะชนะที่พอเหมาะพอดีเข้าใจโลกรู้เท่าทันโลกเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นชาคริยานุโยคะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่เปิดหูเปิดตาไม่ใช่เป็นผู้ที่หลบมุมอยู่ในกลาครอบแต่เป็นผู้ที่มีโลกกว้างรู้ทัศนวิสัยกว้างขวา ง, ขวางเข้าใจโลก สิงเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นเรารู้เราไม่เอาอย่างนั้นเราไม่นับมาเป็นโพชนะไม่นับมาเป็นเครื่องกินเครื่องใช้ที่พอควรเราไม่นับมาเป็นเครื่องอาศัยที่เจริญของคนเจริญเป็นเรื่องเฟ้อเป็นเรื่องเสื่อมเป็นเรื่องเกินไปไม่เข้าหลักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่คนหลงเป็นเรื่องที่คนที่ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ไม่ใช่ความสันโดษ เป็นความเกินเราจะเข้าใจหมดเลยเพราะเราเข้าใจโพูดชนะเพราะเร า, เ, าเพราะเราเป็นพูดตื่นเป็นชาคริยะเป็นชาคริยาเป็นบุคคลพูดตื่นแล้วมาใชไเปพูดหลบมาเป็นผู้ที่มีโลกอันแคบแคบเรามีโลกกว้างเป็นคนเปิดเป็นคนมีตาตากว้างตาไกลมีตาทิพย์ สามารถมองส่องได้ไกลรู้อะไรมาในกระแสของเสียงเดี๋ยวนี้ยิ่งเขาได้ยินกันจากโลกต่างฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็มาจากมาทางดาวเทียมมาทางเครื่องม้เครื่องมือของวิทยาศาสตร์มาอะไรอะไรพวกนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นได้กันอย่างไกลถึงปานฉะนั้นเราก็รู้ก็เห็นด้วยเขาได้แล้วเราก็ไม่หลงงมงายอะไร ไม่หลงงมงายไม่หลงเอะทอะอะไรสามารถรู้สามารถยัง่งถึงสามารถเห็นแจ้งได้จริงๆเช่นนั้นในปานชนีน ะ, ะในศาสนาพุทธสอนเราสอนทุกคนให้เข้าใจกว้างขวางมีปาฏิหาริ์เมื่อเราเข้าใจหลักของศี ล, ลเข้าใจหลักของอัปนกฐธรรมสาม และเข้าใจหลักสัทธธรรมเจ็มีศรัทธาความเชื่อมั่นซึ่งย้ำแล้วย้ำอีกว่าศรัทธามีศัจฉศรัทธามีของจริงศรัทธามีปัญญาย้ำแล้วย้ำอีกไม่ใช่ว่าศรัทธาไม่มีปัญญาและศรัทธาไม่มีสัจฉ์ไม่มียถาภูตตยานทัศนะไม่มีของจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็รู้เห็นของจริงตามความเป็นจริงอย่างชัดแจ้งไม่ใช่อย่างนั้น มีศรัทธามีหิริมีอดตะปะมีพระหูสัจจะมีความจริงกว้างขวางมากมายเท่าที่เราจะสามารถเป็นไปได้แต่ละบารมีบุคคลบุคคลมีพระหูสัจจะต่างกันมีความรู้ในสัจจะไม่เท่าเทียมกันผู้มีบารมีมากก็รู้ในสัจจะมากกว่าผู้มีบารมีน้อยก็ต้องรู้สัจจะมีสัจจะได้น้อยกว่ารู้แจ้งในสัจจะได้น้อยกว่านี่เป็นของจริง มีวิริยะมีสติมีปัญญามีฌานนี่เป็นเจรณะทั้ง15แล้วมีวิชาฌานที่เราถือเป็นตัวเกลื่อมเป็นตัวกลางระหว่างวิชาหรือปัญญาซึ่งอาตมารวมมาเรียกว่าเป็นวิชา9าประการเพราะฌานเป็นวิชาหนึ่งเพราะฌานไร้ปัญญาไร้ความรู้ไม่ได้วิชาฌานต้องมีวิชาฌานต้องมีญาณมีปัญญา ฌานต้องมียานมีปัญญาเป็นวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่เลื่อมอยู่ระหว่างจรณะและวิชาวิชาอีก8ประการต่อจากฌานก็อธิบายกันอยู่นะก็ขอทบทวนและขอไล่เรียงให้ฟังนะเพื่อที่จะไล่ไปให้จบสัวันนีนะ้อาจจะมีเวลาไม่ละเอียดนักก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาต่อไปอยู่เรื่อยๆอยันใะดทบทวนวิชาญาณทัศนวิเศษ หร อ, อยนทศนะเป็นความรู้นั่นเองแล้วมารู้ในเรื่องของกายของจิตมารู้เรื่องของรูปของนามพระพุทธเจ้าทยนยอ่อโลกเมื่อกี้พูดแล้วว่าโลกโลกมันจะวิจิตพิสดานออกไปกว้างไกลเปิดจิตออกไปจักรวาลไหนก็ได้แต่มาศึกษาโลกนี้เลยเป็นสำคัญโลกที่มันมีอะไรขัดขวางมันมีอะไรมันไม่เรียบร้อยราบรื้นศึกษาให้รู้แแจง้งทะลุ ทะลวงแทงทะลุเหมือนกับลูกโล่ลูกนี้เหมือนกับแก้วไผ่ทูลวางใสวางอยู่บนฝ่ามือเลยเห็นทะลุทะลวงไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณแม้ว่ากายเราจะมีอินทรีย์น้อยใหญ่อวัยวะครบครันก็ตามเราก็ไม่ติดขัดในอวัยวะไม่ติดขัดในอินทรีย์ต่างๆสามารถย่นย่อลงไปรวมอยู่ที่จิตวิญญาณได้แล้วเราก็ปรับปรุง ปรับปรุงทั้งกายอวัยวะน้อยใหญ่อินทรีย์ทั้ง6ปรับปรุงสามารถที่จะอยู่เหนืออินทรีย์ทั้งหเราก็รับรู้เอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้เราก็ปล่อยก็ได้สามารถทําให้ปรากฏก็ได้สามารถทําให้มีก็ได้ถ้าสามารถทําให้หายไปก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นมีอิทธิวิธีอย่างนั้นเป็นจยางนั้นอันใดที่เราจะทําให้หายไปไม่ให้เกิดอีกดับสนิทเลยคือกิเลสเราก็ทําให้มันดับสนิท สิ่งใดที่ไม่ดับสนิทจะต้องอาศัยมันอยู่จะต้อให้เกิดก็ได้จะให้มีก็ได้ก็ทำไอ้กิเลสไม่เกิดอีกเลยเนะี่ยไม่ต้องโกรธหรอกเมื่อไรเมื่อไรก็ไม่ต้องโกรธแม้คุณจะเป็นโพธิสัตว์จะต้องมีสภาพปฏินิสักะมีผีหลอกผีลวงโพธิสัตว์เนี่ยพอเกิดอีกชาติต่อไปต่อไปเนี่ยมันจะมีวนกลับเมื่อกี้เรามีกิเลสเมื่อกี้เราไปยอมรับกิเลสแต่เปล่านะถ้าเผื่อว่ามีความจริงแล้ว มีอาสวัคยาญาณถอนอาสวัสิ้นแล้วนะมันมาหุ้มพอกนอกเถอะนั้นหระแกนมันไม่แด่นั่นหรอกขอให้ทําอรหัตผลให้ได้เถอะคุณจะเป็นโพธิสัตว์อีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่มีปัญหาแกก็จะเป็นตามอินทรีย์พะละเมื่อคุณเป็นโพธิสัตว์และวคุณก็จะตอกต้องถูกหลอกถูกหุ้มถูกพอกถูกมายาโลกเขาหลอกลวงอยู่ไปบางทีลิลิลรลิลิลิลิลิลิลิล oh, oh, ิลิลิลิลิลิลิลิลิลิล แต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์ที่แข็งแรงก็ต้องโอ้โหต้องหลอกท่านยากหน่อยอย่างพระมหาโพธิสัตว์บรมโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่บรรยายกันอยู่ในพระวัติศาสตร์พระราชบิดาจะต้องประคบประงมด้วยเป็นจักการมคุณต้องเอาสักดิ์สิยศักด์ฐานะอะไรมาหลอกมาล่อท่านโอ้โหจนกระทั่งท่านงงอยู่ในโลกของอันนั้นอยู่ตั้งนานอายุยีเก้าเนี่ยกว่าจะเจอเทวทูตมาเตือน และเทวทูตเตือนนิดเดียวท่านก็รู้สึกแล้วส่วนพวกเราไม่เหยียโพธิสัตว์ที่จริงนะมันสัตว์ไม่เหยียโพธิสัตว์ไอเทวทูตมันโถมันเตือนไม่รู้กี่เตือนมันโถเห็นอยู่ชําจะตอกหน้าตอกตาซึ่งเราประหลาดที่ว่าพระพุทธเจ้าฉันไม่เคยเห็นคนแก่อย่างไงเห็นคนแก่แล้วทั้งแตนี่คนเหรอมันดูมันอีเดียดนะมันคนง้ออะไรกันไม่รู้จักคนแก่ได้ยังไงปานฉะนั้นมันไม่น่าเชื่อ เไม่น่าเชื่อเห็นคนแก่ก็ร้องเอ๊ะนี่คนเหรอเราก็จะเป็นอย่างนี้เหรอคนเนี่ยท่านก็จะเป็นอย่างงี้พ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เขาหลบซ่อนเขาบังพลางไม่เห็นเห็นแต่คนแก่ไม่เห็นแมมแต่คนเจ็บได้อย่างไรเนี่ยมอมเมาถึงขนาดไหนคุณคิดดูสิมอมเมาหลอกลวงพระพุทธเจ้า ที่จริงมุสลิมเจ้านะ่ะมียานอันแววไวมีมุธุภูเตมีปฏิพานอันฉลาดเร็วนิดเดียวท่านก็โอ้โหไม่ได้แจ้งเหมือนอย่างเจ้าเราแจ้งนะเห็นทุกทันทีเลยเห็นแค่นั้นก็ว่าเป็นทุกข์แล้วไอเราเนะี่ยโอ้โหมันต่อเราเปลี่ยงเปลี่ยงยังไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไอความเจ็บมันก็ต่อเราเปลี่ยงเปรี่ยงความแก่มันก็ต่อเราเปรียปร่ยง เ, เปลี่ย ง, ย, งยังเฉยเหมือนหนังแรดเหมือนสัมฤีถูกหนังแรด จะไม่รู้สึกอะไรเราไม่มีปฏิภาณอย่างนะี้เพราะงั้นเราจะต้องมาให้รู้ว่ามันทุกข์โดยนาน า, นานประการนะทุกวันนี้อะไรก็เป็นทุกข์แค่แต่เกิดแกเจ็บตายนี่ก็เป็นทุกข์แค่นี้เราไม่รู้สึกหรอกเกิดแกเจ็บตายเนี่ยเราจะต้องไปรู้สึกว่าโอ้โห oh, ไปแย่งไปชิงไปต่อไปสู้เน็ตเหนื่อยหนักนาะทุกข์นะทุกข์รู้หรือเปล่าไปหาผัวหาเมียนะก็ทุกข์รู้เปล่าแย่งกันชิงกันต้องจีบกันต้องอะไรรู้เปล่ารู้เปล่า รู้แล้วเหรอไม่เอาอีกแน่นะไม่ลังเลเหรอฮะพ้นวิจิกิจช้าเลยเหรอเอาละเป็นได้นะพ้นวิจิกิจช้าเนี่เป็นได้แต่เจโตมันจะวิมุติอันไม่กลับกําเริบหรือเปล่ายังไม่รู้นะอันนี้ลงของใครของมันเจโตอันไม่กลับกําเริบเนี่ยมันต้องจิตของใครของมันนะแต่วิจิกิจช้าเนี่ยให้ได้ก่อนพ้นวิจิกิจช้าได้แล้วเราต้องภาคเพียนทํามาจนจิต เจโตวิมุตต์อันไม่กลับกัมเริบได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าถอนอาสวะอนุสัยถ้าไม่เช่นนั้นเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่เราจะต้องรู้หลักการวิธีการอะไรตัวอะไรให้มั่นคงจริงๆพราะในแม้แต่เหตุผลยกตัวอย่างที้แก่ว่าพยายามทาคู่แต่งงงแต่งงานอะไรนี่มันทุกจะตายไม่รู้โลกเขาไม่รู้หรอเขาถูกหลอกว่ามันสุกนะมันอร่อยนะมันต้องเป็นต้องมีนะอย่างสัตว์โลกอย่างธรรมชาตินะเรานี่พวกเหนือธรรมชาติแล้ว ไม่ต้องไปเป็นธาตุธรรมชาติอยู่นั้นธรรมชาติไม่ต้องไปสมไปสูไม่ต้องไปมีคู่มีคนี่เป็นพูดอย่างเรานะทีนี้ฐานอย่างนี้พอคุณฟังอย่างนี้แล้วคนที่เขายังมีบารมีอย่างนี้เขาจะต้องมีคู ene, ค่มีอะไรแต่ใดอยู่ต้องรู้เขาด้วยนะไปแรงไปจัดกับเขาไม่ได้นี่ผมแรงกับคุณจัดกับคุณนะักในฐานะมาบวชขนี้ผมไม่แรงกับคุณ apped, คนีะไปแรงกับใครเพราะข่าวว่าของเขาอย่างนู้นอย่างนี้ต้องรู้ต้องประมาณบางทีเขาก็เหนื่อยเขาก็อายบางทีบอกแม้เรา มานี่ก็พูดเราจัดจา้านงนี้เรามาไม่ไหวอมันก็ขาดเพราะงั้นต้องประมาณให้ดีสังคมหมู่กลุ่มปริษัทยุตตาบริษัทเราก็ต้องดูอย่าให้มันแรงจัดถึงรัฐบาลชนี้โอกาสครั้งคราวดูนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เข้าใจดีแล้วไม่ใช่อนุสัมพันธ์เป็นอุปสัมบันธนั่งอยู่นี้ที่พูดถึงเรื่องนี้นะในเป็นอุปสัมบันธของเรื่องนี้มากแล้วนี่ดูดูไม่ใชนาใหม่เลยถ้าเป็นกาละบางทีตอน ชาว์เถิดตอนชาวก่อนฉันมันก็คงจะพูดแข็งพูดแรงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอาจจะแรงหน่อยบ้างขนาดนั้นขนาดนี้ก็ต้องดูหมู่กลุ่มประมาณนะอันนี้เป็นนายละเอียดที่เอือนเตือ น, นให้นะเอามาเข้าเรื่องว่าเราเองจะต้องศึกษารู้ชัดรู้เจนแม้กระทั่งกายแม้กระทั่งวิญญาณแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมแม่อะไรอะไ ร, ะไรนี่ตามบรารมีเป็นพระอริยะบุคคลขั้นอรหันเป็โพธิสัตว์เป็นอะไรนี่ก็จะต้องตามบรารมี มันจะมีการกลับไปกลับมาบ้างแต่ถ้ามีแก่นแล้วแท้แข็งแรงมั่นคงแล้วจนถึงขั้นที่สุดต้องเอาอารหัตผลให้ได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องไปเป็นที่สุดแล้วเราก็จะไม่สงสัยอะไรเพราะอะไรรู้แล้วดำเนินให้เกิดมโนมยิทธิให้เกิดสภาพที่มันละล้างได้เรียบร้อยสะอาดบริสุทธิ์ได้แต่มันก็อยู่ที่นี่และมันอยู่ที่กายเรานี่ยเราเนรมิตกายเนรมิต ที่จริงเนรมิตจิตวิญญาณเลยอย่าว่าแต่กายเราเนรมิตกายให้ผ่องแผ้วผุดผองมาจนกระทั่งไปถึงจิตพอจิตเป็นได้แล้วตีกลับกายแต่ต้องได้นี่นี่หลุดนะนี่นี่มือซ้ายกับมือขวานี่อาตมาหลุดจากกันนะคุณเชื่อไหมมือขวาซ้ายกับมือขวาของอาตมานี่หลุดจากกันแล้วนะแม้จะจับกันอยู่อย่างนี้เราทําให้มันเกิด ทำให้มันปรากฏทาให้มันเป็นให้มันมีก็ได้เจตนารม์เราไม่ได้ดูดไม่มีจิตวิญญาณที่ว่าไอ้ น, นี่จะพลากจากกันนะซ้ายกับขวาเองต้องอยู่ด้วยกันอย่าพลากจากกันนี่รันนะไม่มีจิตที่จะเชื่ออันนี้เป็นของเราเนื้อหนังบางสานี่เป็นของเราตลอดกาลนี่รันเหตุผลเรารู้ก่อนใจเราจะปล่อยได้ไปอีกในอนาคตเราก็จะรู้ว่าเราเองเราละเราปลดลรปลงมันไม่ง่ายมัน กินความลึกซึ้งเราก็มาปลดปล ong มาปลดปล่อยจนตีกลับไปมามีปฏินิสสาขะแม้ปล่อยได้แล้วกายก็ยังเห็นว่ามันไม่ปล่อยได้แต่ใจปล่อยเป็นที่สุดเป็นปรมัตตธรรมเพราะฉะนั้นจึงท่านถึงอธิบายโดยความว่าไอ้ที่พูดหรือไอ้ที่ปฏิบัติมนโนมยิทธิเนี่ยจิตเก่งมนโนก็คือจิตจิตของเรามันเก่ง มโนมามยะอันเป็นเราอิทธิก็คือเก่งสามารถมีริษแรงจริงๆมันเก่งถึงขั้นจิตเนี่ยมโนมามยธิเนี่ยมันไม่ไปไหนเหลยจากนี้เหมือนกับตลบตะแลงเหมือนตลบตะแลงเหมือนพูดแล้วก็เหมือนไม่จริงบอกว่าพลากก็ไม่พลากเพราะว่าเราพลาดในกายนี้ไม่ใช่ของเรานะเอามปใช่ของคุณคุณก็อยู่กับของคุณอยู่งั้นแหละเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็อยู่อยู่กับกายนี้อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าดุดพ้นแล้วจริงๆเราไม่รู้ด้วยมโนมนยุทธิอันนั้นของใครเพราะอาจารยทั้งเทียบมือนก็มันก็อยู่อย่าง ก, กันอย่างนี้แหละจะบอกว่างูมันก็เอาหมอกออกมาจากคราบงูแต่ถ้าคนถอดคราบออกได้จริงๆก็ถอดคราบงูถอดตัวงูออกมาจากคราบถอดฟักออกต่อ ด, ดาบออกจากฟักถอดหญ้าปล้องสอดไส้หญ้าปล้องออกจากจญ้าปล้องนี่มโนมนยุทธิท่านก็บอกมันเนื่องกันอยู่อย่างงั้นแหละ พรสุดท้ายจบแล้วมันถอดออกจากกันได้จริงๆฝักกระดาษถอดออกจากกันได้จริงๆแต่ก็ต้องเอารวมกันไว้งูกับคราบถอดออกได้ได้จริงๆแต่ก็ต้องมาจากอันเดียวกันรวมกันไว้ทีนี้อุทารหอพวกนี้มันมันไม่ชัดเหมือนกับความจริงความจริงมันมันเหนือกว่าอุทารหอนเพราะฉพวกพระอรหันเนี่ยถอดออกได้จริงๆเลยนะเหมือนกับคราบงูกับงูนี่มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะ แต่มันก็ต้องมารวมกันเหมือนดาบกับักหญ้าปล้องกับหญ้าไส้หญ้าปล้องกับหญ้าถ้าถอดไส้หญ้าปล้องออกจากออกจากหญ้าปล้องแล้วหญ้าปล้องตายนะฟังให้ดีอุทาหอนสามอย่างเนี่ยหญ้าปล้องกับไส้หญ้าปล่องถอดไส้หญ้าปล้องออกนี่นะหญ้าปล้องตายนะหญ้าปล้องตายแต่เรายังไม่ตาย เพราะฉะนั้นจะถอดก็เหมือนไม่ถอดเหมือนยาบล่องนั่นแหละแต่ถอดก็ถอดไส้ก็คือไส้ยาบล่องก็นอกก็คือยาปล่องแต่ว่าชักไส้ออกมาแล้วมันก็คือไส้แต่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันถ้ามีชีวิตเป็นเหมือนยาปล่องชักไส่ออกจริงๆไม่ได้ไม่เหมือนกับงูกะคราบคราบงูเนี่ยชักคราบงูออกจากงูแล้วก็ทิ้งคราบไปเหลือแต่ตัวงูได้ฝักดาบก็ฝักชักออกจากกันได้ และมันก็ควรจะสวมอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นต้นเป็นอุทาหรณ์สามขัน้นเพราะโดยจริงแล้วมันไม่ไปไหนกันแต่มันเหมือนกันตบตลกตะแลงบอกแล้วมันเหมือนกลับกันบอกว่าขาดก็ไม่ขาดบอกว่าหลุดก็ไม่หลุดบอกว่าพ้นก็ไม่พ้นแต่คุณจะรู้ด้วยญาณทัศนวิเศษนี่เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งแม้มนโนมิทิทิคุณก็ต้องรู้ในปัญญาอันยิ่งเป็นวิชาว่าเรารู้แล้วว่าความขาดความหลุดความพ้นค ว, ความชักออกได้ชักใส่ออกจากญ้าปล o อง ชักดาบออกจากฝักชักงูออกจากคราบได้แล้วคุณก็รู้แต่มันก็อยู่รวมกันนั่นแหละบอกแล้วมันกลับไปกลับมาได้แล้วเหมือนไม่ได้แต่ได้ทีนี้ผู้มีปัญญาอันละเอียดตาทิพย์หูทิพย์จะรู้จะชักออกชักล้างหลุดพ้นขาดกันได้ก็โดยอิทธิวิธีต่างๆที่ได้อธิบายไปแล้วพอสมควรทีนี้ก็เข้าหาวิชาข้ออื่นอีกบ้าง ในขณะที่ปฏิบัติธรรมก็ขอย้าตรงนี้การปฏิบัติเหมือนกันก็สะสมเหมือนกับฟักทองที่มันสะสมตัวมันเองให้ลูกโตอยู่บนเถาอันเล็กแล้วมันก็จะสามารถเป็นลูกที่โตอยู่ห้อยตรงเตงอยู่บนเถาของมันอันเล็กนี้ได้ก็คือการจะต้องสะสมวันต่อวันต่อคืนอย่างสนิทเนียนเข้ากันได้เป็นไปได้มีผดสะเป็นปัจจัย ต้องทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะในการปฏิบัติเกิดสมาธิเกิดฌานก็ดีก็เป็นสมาธิเป็นฌานลืมตามีปกติธรรมดาธรรมชาติวันวันคืนคืนจะเดินจะยืนจะก้าวขาไกลแขนจะเอี่ยวจะอุจจะระจะปัสสาวะจะเคี้ยวจะกลืนอะไรต่างๆก็มีสติสัม ป, ปชัญญะปัญญามีการตรวจทานมีการพิจารณาโดยเตวิชฌ คนะอร์สเสริมเข้ามาก่อนที่จริงเตวิโชนี่เป็นพิธีการอันนึงพิจารณ า, าชาคริยานุโยคะกลๆเป็นวิชาเนั่ยแหละที่เรานั่งปฏิหารในการตื่นนั่นแหละเราก็ทบทวนสอดคล้องไปเพื่อความมั่นใจเพื่อความจริงเมื่อเวลาลรจิกเงีเงีย บ, ยบไม่มีอะไรผัดสะวุ่นวายล้วก็มาทบทวนว่าเออเราทําถูกนะทำได้นะขณะที่เราไปสัมผัสทํางานทําการมีเอน็นนนเร็วไวเคลื่อนไหวเร็วไ ว, ว, ไวแล้วก็ ฝึกปรือมุทุภูเตกรมมนิเยฝึกปลือความแคล่วคล่องแววไวฝึกปรือความรู้เร็วเป็นคนอ่เป็นเอ่อเป็นสภาพไวแววไวอะไรอะเนปเป็นสภาพซตีนะแววไวมุทุพูเตะเนี่ยแตมาแปลตัวว่าเซนส i ีปนะแปลเป็นภาษามันตรงกันกับภาษาอังกฤษว่าเส มุทุภูตเตนี่วไว่ว้ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เท่าทันพอกระทบสพพัมผัสปั๊บเรารู้ยิ่งกว่ามองทะลุแก้วไพลทูลใสทะลวงเข้าไปหาจิตวิญญาณเลยไว้ยรับเรารู้เท่าทันแต่ก็มาจากอวัยวะน้อยใหญ่และอินทรีย์ทั้งอินทรีย์ทั้งหมดนะอินทรีย์อินทรีย์ไ ม, ไม่บอกพร่องทุกทะทุกทวานทุกทางมาจากเหล่านี้ทั้งนั้น พับกับไ ว, ไ ว, ไวมีจิตอันเร็วมุทุภูตย์ไ ว, ไวเข้าใจรับรู้ไอ้นี่คือรูปรสกินเสียงสัมผัสและแยกมีธรรมวิจัยเร็วแยกแยะเท่าทันว่าเออไอ้นี่เป็นกุศลอันนี้อย่างนี้เป็นอกุศลอันนี้ปุ๊บมันมาถึงจิตแล้วก่อตัวเป็นกุศลหรืออกุศล ไ, ไวรู้เท่าทันแยกแยะได้ทันชี้ออกาอากุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะไวถ้าเป็นอกุศลาธรรมามีอิทธิวิธีจะแก้ไขด้วยอย่างไรจะปรับ เปลี่ยนมันได้อย่างไดจะให้ไม่มีทําให้ไม่มีทําให้หายไปไม่ให้ปรากฏได้อย่างไดคุณจะมีวิธีการช่ําชองแต่ละวันแต่ละคืนฝึกฝนไปไม่ใช่อยู่ๆคุณจะเป็นได้ด้ปากพูดง่ายๆคิดคํานวนณคะแนนง่ายๆไม่ได้นะจนคุณจะกล้าเข้าไปเดินบนน้ําเดินบนดินได้เก่งขึ้นทะลุทะลวงกองสัมผัสแต่ต้องยังกระทลุภูเขาแข็งทะลุกำแพงทะลุฝา คุณจะเก่งมีอิทธิวิธีเอามาจะหนาจะแข็งขนาดไหนกระทบกระเทือนได้ยังไงเราก็ลุยได้ทะลุทะลวงได้เดินเหมือนเดินไปในที่ว่างจะกลายเป็นผู้ที่ว่างเบาง่ายมีริดแรงเห่ลอยทุกเวลาเราจะเหมือนนกน้อยที่เบาใจจะบินจะไปไหนก็ได้จะอยู่ยังไงก็ได้ไม่กลัวจะเข้าไปทะลวงในดงนรกใหญ่ก็ไม่กลัวนะเหมือนบินไปได้ทุกศาส ราธิศมีปีกมีท้องอาศัยบาดมีจีวรมีบริหารกายมีบาดบริหารท้องไปได้ทุกสุขสารทิศไม่กลัวกองกิเลจะกองถ้าภูเขาตรงไหนนรกไหนจะใหญ่จะยิ่งก็ไม่กลัวไปได้ตลอดนะเหาะลอยเหาะบินไปได้ตลอด รูปคำด้วยฝ่ามือได้ไม่ว่ามันจะใหญ่จะยิ่งจะร้อนจะแรงเท่าพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นไปตลอดโลกพรมโลกอยู่กับเราตลอดซึ่งได้เก็บกจก็ะตังคอสังเกตในฟังแล้วตรงนั้นมีอำนาจทางกายไปเอากายทั้งกายไปได้ทั้งหมดไม่ใช่ไปแต่จิตนั่งหลับตายรงนี้ไปแต่จิตเฉยเยไม่ใช่ไม่ใช่ มีอํานาจไปพร้อมพลั่งเลยประชุมรวมได้ครบครันมีอํานาจทางกายไปได้ตลอดพรหมโลกมีอํานาจคุ้มกายได้เพราะองคจะไปที่ไหนๆก็พรหมโลกไปกับเราบอกแล้วไปตลอดพรหมโลกนี่เป็นภาษากลับเป็นภาษาของที่เขาแปล ก, กันอย่างนั้นน่ะแต่ตามาไม่เห็นมบบนันเพราะว่าเราเองเราสามารถรู้โลกเราเอาศัยพรหมสุดท้ายเราเอาศัยสุทธาวาส เป็นผู้ที่มีสัจิตประโยธ ป, ปนังเป็นผู้ที่มีสจิตประโยธ ป, ปนังเป็นผู้ที่มีใจอัท่องใสมีอุเบคาฐานมีชานแข็งแรงมีปริสุทธาปริโยธาตามุถุกรร ม, มัญญาประพัดสราไปไหนก็สะอาดท่องแผ่วรุ่งเรือ ง, รงประพัดสรโชตช่วงชัชวาน น, นี่ไม่ใช่ใส่ความนะไม่ใช่พูดโดยภาษาเล่นนะ เป็นอย่างนั้นจริงๆไปไหนก็มีอุเบกขาฐานอาศัยไปนะเป็นสภาพที่ไปตลอดได้เป็นพรหมโลกไปกับเราเรามีพรหมโลกไปด้วยมีอำนาจทางกายนำกายนำองค์ประชุมอย่าว่าจะไปคนเดียวเลยผมมีสหธรรมิกผมมีกองทัพธรรมผมไปไหนผมไม่ได้ไปกายน้อยนะไปกายใหญ่มีสหธรรมิกไปสหธรรมิกแต่ละคนไปบางคนก็ไปก่อเรื่องเหมือนกันนะ แต่ผมก็พอมีอํานาจว่าพอปัดเป่าไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกองทัพทมนี่ไปก็ไม่ไปส่วนย่อยส่วนประกอบก็ไม่ไปทําเสียแต่ไปกลับไปสนับสนุนไปสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในซ้ำอย่างนี้เป็นต้นไปตลอดได้ให้บริสุทธิ์ได้อยู่เสมอพรมบอกแล้วว่าแปลว่าบริสุทธิ์ไปตลอดได้มีพรมไปกับเรา เพราะจะไปเมืองที่ท่านมันม er. ัน <Moi> มัย <h especie> ้อนจะไปเมืองนรกก็ได้ไปเมืองเทวดาก็ได้ไปที่สุดเป็นเมืองพรมก็ได้นี่ก็คือเราต้องรู้นะเรามีอิทธิวิธีหรือเปล่าเรายังอิทธิวิธีของเรายังไม่ประสิทธิทผลยังไม่มีปาฏิหาริย์เพียงพอนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ได้ก็คือได้สิ่งที่เรายังไม่ได้เราก็พยายามแต่มากแข่งมากที่มากทางที่เราสามารถไปได้ตลอด เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีฤทธิ์มีปาฏิหารปาฏิหารเช่นนี้พิสูจน์ได้ปาฏิหารอย่างนี้เป็นจริงอาคาลิโกโอเอฮิปัสิโกและเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรายังไม่ได้ผมยังไม่ได้ย่งพระพุทธเจ้าท่านไปได้หมดเลยเข้าไปในวังพระเจ้าเปรสเซนที่เข้าไปจะในวังพระเจ้าพิมพิสารตอนรับขับสู้แม้ท่านจะไปห้ามศึกแคว น, นั้นแคว น, นี้ก็ทะเลาะ ก, กันเข้าอะไรกันท่านทําได้เพราะท่าน ไปตลอดพรหมโลกได้จ ร, จริงจริงมีปฏิหารยิ่งใหญ่จริงๆถ้ามีปฏิหารยิ่งใหญ่จริงๆไปได้หมดพรหมโลกไปกับเราเพราะเรามีเจโตอันสาคัญมีอํานาจทางจิตมีอุเบกขาฐานมีฌานอุเบกขาอาศัยแม้เรามั่นคงแล้วแต่ขณะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะไปในพรหมโลกหรือเทวโลกที่ ควรจะไปเขาไม่ให้เขา้าเทวโลกที่มีมานะเทวโลกที่เขายิ่งใหญ่เขามีอัตตาของเขาเขาไม่ยอมให้เขา้าเรายังไม่เป็นที่รับนับถือไปบุกทลายไปบุกทะลวงกันเดือดเ ด, ดไม่ได้หรอกต้องมีปาฏิหาริมีอภินิหารอย่างยิ่งต้องมีปัญญาอันยิ่งที่จะสามารถทำอย่างไรเราจะเป็นไปได้ก็ภาคเพียนไปนะ อาการปฏิบัติมีวิธีก็จะมีอิทธิวิธีนี้มากอยู่ในขณะเดียวกันเราก็สร้างยานทัศนะในขณะเดียวกันเราก็สร้างมโนมยิทธิในขณะเดียวกันเราก็สร้างอิทธิวิธีในขณะเดียวกั น, กรนเรา ก, ก็ต้องมีเสริมสร้างโสตทิพเมื่อจิตเป็นสมาธิของแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่ อ, อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ก็หมายความว่าเราเป็นฌานเบื้องตน้น มีฐานของความบริสุทธิ์ของแพ่วเท่าที่เรามีเป็นคณิกะสมาธิก็ตามเป็นอุปจาระสมาธิก็ตามเรามีได้มากเรามีได้น้อยน้อยก็เป็นคณิกะคณิกะพอที่จะสามารถกรรมนิเยสามารถในการงานนี้ได้ไหมคณิกะที่แรงพอที่จะสามารถทำการงานนี้ได้กรรมนิเยมันลมๆ ล, ลุกลุกๆบ้างก็อา้าถ้าคุณเชื่อมันยิ่งเป็นอุปจาระะอันนี้ อยู่ในฐานกลางเลยสามารถที่จะกรรมนิเยสามารถที่จะพร้อมพอเหมาะคนแก่การงานทํางานได้เพื่อซักซ้อมให้เราเกิดอปปณะอปปนาอปนาอปนาสมาธิเพื่อความมั่นคงเพื่อธีเตเพื่ออเ น, นชัปัปเตเข้าไปเรื่อยๆๆๆๆๆก็ๆๆๆต้องทําสอดซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นความหมายที่บอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบอกแล้วว่าคําว่าสมาธิเป็นคํา ก, กลางๆจิตเราบริสุทธิ์ของแผ่วได้เป็นครั้งเป็นคราวขณะที่คุณทําการงานนี่มีกสิน เพราะจิตคุณผ่องแผ้วได้ไม่ได้ถูกนิวรณ์รบกวนอะไรมากมายไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสกิเลสที่มันที่เราขจัดได้เท่าที่เราสามารถเราประมาณแล้วว่าเรานี่เข้าไปคุกคีเกี่ยวข้องได้ไม่ใช่ว่าเราแตะไม่ได้มันเหมือนถูกครอบงำเหมือนม้าได้กลิ่นเสือเลยอย่างนี้เราก็ไม่ไหว เราก็ต้องพากไม้ที่ชุ่มหน่ยยางก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งศีลตั้งกรรมฐานตั้งแวดวงที่เราจะเกี่ยวข้องทุกครีได้ก็ต้องดูดต น, น, นการปฏิบัติธรรมมีฌานมีสมาธิแบบของพุทธนี้ต้องเข้าใจอย่างดีอย่างชัดเจนฝึกปรือไปเมื่อเราสามารถเข้าทําได้เป็นเหมาะทําการงานจิตเรามีมุทุภูเตพอนะมีความแวววยมีความแข็งแรงพอสมควร ทีเตมีพอสมควรนะความตั้งมั่นพอสมควรแม้จะปฏิบัติแล้วสัผัดแตะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยก็ยังมีอย่างน้อยก็ยังสามารถเป็นคณิกะสมาธิยังตั้งมั่นได้พอสมควรแม้มันจะถูกกระแทกแรงหน่อยอาจล้มเป็นนิดนึงแต่ก็ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินได้พอสมควรคุณจึงจะฝึกปลือขึ้นมาสามารถตั้งมัน่นตั้งมั่นสั่งสมทีเตจนเป็นอเนชัปปะเตได้เหมือนกับฟักทองมันค่อยๆโต ค่อยๆสะสมสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่อยู่ดีๆไปเอาฟักทองมาห้อยตูมกันไปเลยมีสมาธิแล้วแต่ไม่ใช่สมาธิที่ได้จากมรรคองแปดกลับไปเป็นสมาธิที่เป็นนั่งหลับตาเอามาคุณไปนั่งหลับตาเอามามาไม่ได้ก็พิสูจนกันแล้วเนี่ยสายนั่งหลับตาเข้ามาในเมืองเข้ามาในกรุงได้ที่ไหนเนี่ยอยู่สุดท้ายก็ต้องสร้างวังตัวเองอยู่ก็เหมือนก็สร้างกะลาครอบอยู่ที่ตัวเองได้วัดตัวเองอยู่วัดเดียวออกไปไหนก็ไม่ได้ใครเข้ามาก็สัมผัสมากก็ไม่ได้ต้อง มีวิธีไล่เขาหนีแล้วทําอะไรไม่ได้มากหรอกวิธีนั้นน่ะว่าทำอะไรไม่ได้มากก็ได้บ้างทํำศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลายแขนงหลายอย่างหลายอันหลายทฤษฎีประกอบบ้างก็พอได้บ้างแต่ทางนั้นไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่ทางเอกเพราะฉะนั้นสมาธินั้นยังไม่เข้าใจเป็นสมาธิติ ท, ทีเดียวเป็นสมาธิฤูษีอพออาจารย์สร้างสมาธิของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างนั้นก็สร้างโวยเป็นอุปกรณนิดเดียวเท่านั้นเอง อย่างที่เราพาทํากันอยู่เป็นอุปการะเท่า น, นั้นเอาสิเมซานครั้งแล้วเราถึงจะมีเรี่ยวมีแรงเดี๋ยวเข้าอภิญญาข้อที่เสียงสองนี้ยิ่งจะชัดเจนยิ่งจะเห็นชัดอ๋อเราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่ได้เสียงสองนี้ต้องมีสิ่งแวดล้อมต้องเกี่ยวต้องคล้องโสตทิปนี่อภิญญาข้อโสตทิปนี้ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสรูปเราก็รู้ไ ป, ไปถึงนามเพราะเรามีมโนมยิทธิเพราะเรามียานทัศนะพอสัมผัสก็รู้ ได้ยินเสียงก็รู้ได้กลิ่นแล้วก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นยังไงกลิ่นนี้เป็นกลิ่นโลกเสียงนี้เป็นเสียงโลกความหมายของโลกของโล ก, กีแต่โดยปรมัตโดยธรรมะจิตวิญญาณของเราเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายนะในตอนนี้ก็อธิบายซ้อนสั ก, ก่อนว่าคําว่า ทุกคำและทุกประโยชนของวิชานี้จะขึ้นต้นโดยภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ่วไม่มีเกเรปราศจากอุปกิเรอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเ พ, เพื่อเพื่อนั้นเพื่อนี้มาตั้งแต่ยานทัศน่ะเพื่อยานทัศนะเพื่อมโนมยิทธิเพื่อโสดเพื่อทิพยโสท่าเราจะอ่านอันนี้ให้ฟังต่อเพื่อทิพยโสท่าเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ เมื่อกี้ที่เรียกว่าเสียงโลกีธรรมดาเสียงมนุษย์อีเสียงหนึ่งก็เสียงทิพนี่ยกตัวอย่างมาแต่ด้านเสียงด้านเดียวรูปเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันในทางเอกอธิบายไว้ครบทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธ์ล่วงโสตของมนุษย์ดูกระพรามเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะได้ยินเสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันดาะบ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาจะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองนั้นดังนี้บ้างเสียงตะโพนนั้นดังนี้บ้างแต่ในนี้ก็ไม่มีคำว่านั้นนะเขาจะพึงเข้าใจเสียงกลองดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบันดาะดังนี้บ้างนะถ้าเขาแปลไว้แค่นี้มันไม่ค่อยเข้าใจถ้าแปลว่าเขา เขาจะพึงเข้าใจเสียงกลองนั้นดังนี้บ้างเขาจะพึงเข้าใจเสียงตะโพนนั้นดังนี้บ้างมันต่างกันแม้จะอยู่ไกลคนนี้ก็ฟังออกว่าโอ้นี่เสียงตะโพนนี่เสียงกลองตะโพนกับกลองคล้ายกันหน่อยละอันนี้เสียงสังโอ้สังกับตะโพตนต่างกันนี่เสียงบัน덧ะเ่นเสียงบัน덧ก็ไม่ไม่ใช่กรองไม่ใช่ตะโพนนี่เสียงเปิงมังเออรู้ดังนี้ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสธาตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพยโสอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ดูกระพรามแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง อ่าทีนี้ก็จะถามเหมือนก็ยังที่ถามแต่อันนี้ยังยังพออธิบายแย้งได้เช่นที่ถามในทิปในอิทธิวิธีว่าถ้าเผื่อว่าคนคนนี้เป็นมีอิทธิวิธีสามารถเหาะเอาตัวเองนี่เหาะลอยปุ้งก็ไปข้างบนแล้วเรียกมันว่านี่เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งลักษณะอย่างนั้นเรียกมันว่าปัญญาด้วยประการใด อการหอมนึวกว่าการทะลุภูเขาแล้วว่านั่นคือปัญญาของเธอประการหนึ่งหน่อยทะลวงภูเขาได้ก็ว่าปัญญาของเธอประการหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นโซนทิพย์ก็เหมือนกันถ้าเราได้ยินเสียงนี่เสียงกลองนี่เสียงตะโพนนะได้การได้ยินเสียงคือหูได้ยินเสียงเราก็รู้เสียงนั้นมันไม่ใช่ปัญญานะแต่บอกได้ว่ามันคานแยงได้กว่าอิทธิวิธีอิทธิวิธีมันตัวตนบุคคลเราเขา ชัดกว่ามันเป็นดินแท่งกรมากกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เชิงปัญญานะแต่อันนี้มันเอาเอามาอธิบายตัวเสียงถ้าเอาไปอธิบายตัวอื่นตัวอื่นมันก็จะชัดขึ้นกว่านี้อย่างว่ า, เรา เ, ราเราเห็นรูปรูปสีแดงตามนุษย์ก็เห็นรูปสีแดงทีนี้ตาทิพมันไม่ใช่เห็นสีแดงเท่านั้นมันเห็น ทะลวงก็ไปโยกตั้งว่านี้สีมันเกิดจากอินทรีย์เกิดจากรูปเกิดจากรูปารมณ์แล้วก็ไปอยู่ที่จิตทีนี้สีแดงที่จิตเนี่ยมันสีแดงเปล่าเปล่ า, ลาหรือเปล่าหรือสีแดงที่มีความมีราคะมีโทสะโมหะเข้าไปร่วมประกอบเพราะนั้นตาทิพย์จะเห็นสิ่งเหล่านั้นนีอธิบายหลักเลยนะราคาโทสะโมหะมูลเนี่ยเป็นหลัก อย่งอ่อนอย่างบางอย่างละเอียดมันมีอีกเยอะมีเลนเลนเล่นเลนกับเราเยอะมันจะรับรู้ได้หรือเปล่าถ้าตาทิพย์คุณไม่ละเอียดบางทีราคาโทสะโมหะอย่างอุปกิเลสหรืออย่างเล่นเลนเลนเล่นหัวเล่นหางกับคุณนะคุณก็ไม่รู้มันคุณก็นึกว่าคุณมองซื่อโดยตาโดยสีแดงเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันสภาพสัมผัสก็เหมือนกันนะ เราจะมองสิ่งนั้นเหมือนมนุษย์ทุกคนเขามองเห็นของจริงตามความเป็นจริงแบบโลกโลกได้กลิ่นอย่างนี้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมที่เรียกกันโดยสมมติการกลิ่นเหม็นกลินนกล่นหอมมันก็เป็นการบอกค่าไปอีกแล้วก็บอกว่าได้กลิ่นป ร, ราคนทุกคนก็จะได้กลินกล่นปลาที่ป ร, รากองนี้มันมีกลิ่นอย่างนี้มันก็จะอย่างนี้นถ้าชื่อแกส๊สมันมีแกส๊สจะไม่รู้ตังกี่ชื่ อ, อย่างนี้เป็นต้น อันนี้แก๊สที่เป็นกลิ่นแก๊สอะไรมีกลิ่นแก๊สไข่เน่าแก๊สที่เราเอามาจุดไฟในแก๊สอะไรนะฮะแก๊สมีเทนอันนี้กลิ่นมันแบบไอคอนแก๊สมันมันเหม็นเอย่างงั้นมันก็ให้กลิ่นอย่างนั้นเราจะเรียกมันเหม็นหรือหอมก็ตามใจอ้าวกลิ่นเอาสมมุติเอาอย่างนี้กลิ่นแอลกอฮอล์อะ กลิ่นทินเนอร์เนี่ยคนบางคนมันชอบนะติดบางคนนี่ดมเข้าเวียนหัวเลยในกลิ่นทินเนอร์บางคนมันก็ชอบแล้วทุกวันนี้มันเสพติสดสลิดซ้ําบางคนดมเข้าไปไม่ได้เลยเม้นกลิ่นทินเนอร์อย่างเงี้นต้ น, นมันก็ลักษณะกลิ่นอย่างงั้นแหละบางคนว่าเหม็นว่าหอมนะทีนี้คนที่มันดมเข้าไปแล้วไอ้คนมันมีกิเลส กลิ่นชินเนอร์ไอคนที่มันชอบมันก็บอกสุขจริงวอยดมกลิ่นชินเนอร์สุขจริงวอยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทุกจริงวอยทุกจริงวอยไอตัวทุกตัวสุข ก, ก, ก็เป็นเวทนาไอตัวกิเลสเราทุกเราสุขที่เราผลักหรือเราดูดก็เป็นกลิ่นหรือเป็นกลิ่นสองเป็นสภาพที่ไปถึงจิตปัญญาณนี่นี่มันต้องอธิบายกันมากเพราะฉะนั้นเวลาท่านเป็นทฤษฎีท่านก็พูดไว้สั้นแค่นี้ถ้าคนไม่รู้อธิบายไม่ออกแล้วเข้าใจผาซื่อแล้วก็ใช้งานอะไรไม่ได้ เขาบอกจะได้ยินเสียงสองคุณก็ไปคอยฟังเสียงตะโพนเออเราฟังเสียงตะโพนออกแล้วมันจะเก่งเท่าไรได้ยินเสียงตะโพนเป็นรู้จักเสียงตะโพนคุณก็ไปฝึกประเดี๋ยวเดียวมันก็ได้แล้วเออนี่ไปเคาะตะโพนจากที่ใกลไปเคาะตะโพนจากที่ไกลเสียงดังมาต่างกันก็เสียงเปิงมางต่างกันก็เสียงกลองต่างกันก็เสียงบันดะเดี๋ยวก็จบอิศิปจะไปยากอะไร แล้วก็จบสดทิพย์แต่เปล่านะมันไม่ได้หมายความตื่นเขินอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาของเธอประการหนึ่งนะไม่ใช่วิชานะวิชานี่เป็นของสูงเชอนะไม่ใช่เท่านั้นนะเราได้ยินเสียงมันท่านอุทาหอนเปรียบประดุจว่าเออเราเห็นความต่างรู้อาการรู้ลิงคะรู้นิมิตรู้อุเทศอ้อนี่เป็นนิมิตของเสียงเปิงมังนี่เป็นนิมิตของเสียงกลองนี่เป็นนิมิตของเสียงตะโพนต่างกันเช่นนี้มีลิงคะ อ๋อเราเข้าใจเช่นเดียวกัน ha. เราได้ยินเสียงคนนี้ดา่าเช่นอาตมาดา่าคุณขออภัยนะไอ้คนเร็วทุกคนก็ได้ยินคำด่าว่าไอ้คนเร็วเหมือนกันแต่เสียงนี้ออกไปจากปากคนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างผสมออกไปมันมีความโกรธผสมออกไปหรือเปล่าหรือมันมีเจตนาดี ผมด่มามึงคุณไปเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงสองผมไหมได้ยินเป็นเจตนาดีหรือเป็นเสียงโกรธ เ, เจตนารีเออเห็นไหมเสียงสองรู้ใครได้ยินเสียงมนุษย์ก็เสียงมนุษย์ด่าว่าไอ้คนเลว็วเท่านั้นแหละแต่เสียงสองมันไม่เป็นอย่างนี้ชั้นเดียวกันเมื่อเราปีเพื่อนติติงกันบางคนติเตียนเราบางคนขัดเราเราได้เสียงอย่างนี้จะทําสำเนียงอย่างนี้แรงบ้างเบาบ้าง เออคนนี้เจตนาดีฮะโอ้โหคนนี้โกรธเรามากลึกไปกว่านั้นแม่เขาจะมีความโกรธประกอบแต่เขาก็มีเจตนาดีร่วมผสมอย่างนี้เราก็ต้องรู้เสียงสองที่ลึกซึ้งึ้นไปอีกเช่นแม่พ่อดุลูกจริงแม่พ่อไม่ใช่พระ อ, อราหาันต์เนี่ดุลูกมีโกรธผสมอยู่จริงแต่ก็มีเจตนาดีร่วมอยู่ในนั้นมากหรือน้อยแค่ใดแม้บางทีนี้มีเจตนาดีมากมนะบางครั้งบางคราวของพ่อแม่แต่มีเจตนาดีเป็นแกนแน่นอน พ่อแม่ที่รักลูกก็ต้องมีเจตนาดีที่จะดุลูกให้มีให้ดีแน่นอนแต่พรความโกรธมันมากอะมันก็หล่อเสละเลยอย่างนี้เราก็ต้องอานให้ชัดนะบางครั้งบางคราวเจตนาดีสู้ยิ่เละโกรธมากไม่ได้กิเลสโกรธออกมาแรงยองก็ต้องทำผิดผิดด้วยดุผิดผดุถูกๆอะไรต่างๆนั้นนี่มันลึกซึ้งละเอียดก็ไปอีกนี่เสียงสองไอ้ดูธรรมดาใครมนุษย์จับเสียงมนุษย์กับมนุษย์ก็ได้เสียงมนุษย์ทั้งนั้นอะด่าอย่างนี้ทำลีลาอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มันก็ไอ้แขนมัน แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่มาจากจิตปัญญ า, ามองเข้าไปทะลุทะลวงเหมือนอย่างแก้วไพยทูลเห็นได้สอดร้อยอยู่ในนั้นสีแดงก็เห็นสีเขียวก็เห็นสีเหลืองก็เห็นสีนวลก็เห็นโอ้โหไม่ใช่เรื่องตื้นเกินนี่คือเสียงเพรา ะ, ะนั้นเราครบหาคบคุ้นกันเนี่ยกระทบสัมผัสกันได้รูปก็ดีท่าทียั่วยวนก็บางล้วก็เห็นท่าทีของเาอย่างี้เอท่าทียั่วยวนก็มีเสียงสองดีนะ เขาทำท่าที่ให้เรารู้ตัวเสียงบ้างเป็นเสีย ง, งตรงๆเลยรูปบ้างกลิน่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้างต่างๆนานาเราก็จะรู้สภาพทิพต์กับสภาพมนุษย <c oughs> <ล>์เพราะฉะนั้นหูทิพตาทิพเขาก็เรียกทิพยโสเนี่เขาเรียกผู้มีหูทิพตาทิพมาทิพ ย, ยโสเขาก็เรียกตาทิพจักขุทิพ เรียกหูเรียกตาก็เป็นสื่อเป็นทางเท่า น, นั้นแหละเป็นภาษาสื่อให้รู้ว่านี่เราสามารถรู้ได้ทั้งอินทรีย์ทั้ง6นะสื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สามารถรู้ทิพย์ของมันรู้สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าทิพย์สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดเข้าไปเป็นวิชาเข้าไปเป็นความรู้เป็นกิเลตันหาอุปท า, านเป็นสิ่งกุศลอกุศลเมื่อเราวิเคราะห์วิจัยมีธรรมวิจัยรู้กุศล และรู้อกุศลแล้วดับอกุศลลดอกุศลได้ตัวเราก็รู้ตัวเรานั้นมีโสตทิพเราพูดออกไปแล้วเราก็ต้องตามเสียงของเราเสียงมนุษย์เราพูดออกไปอย่างนี้ระวังนะมันมีผ e ีเปรตผส ม, มออกไปหรือเปล่ามันมีเดราชานประกอบออกไปในเสียงของเราพูดหรือเปล่าท่าทีเราทำอย่างนี้อย่างนี้ท่าทีของเราทำกับใครก็ตามแต่ท่าทียังงี้มีผ e ีเปรตร่วมออกไปหรือเปล่า ถ้าที่อย่างนี้มีเดริฉานออกไปหรือสัตว์นรกออกไปด้วยหรือเปล่ารู้แม้ของเราเมื่อรู้ของเราเก่งแน่นอนก็จะรู้จากของคนอื่นคนอื่นมากระทบมาสัมผัสเรามาสร้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขึ้นมาเราก็จะมีใจเป็นทิพย์มีตาทิพย์หูทิพย์และตาทิพย์หูทิพย์นี่จะเกิดตลอดเวลาเลยสัมผัสแต่ต้องเหมือนกับฟักทองที่สะสมตัวเองค่อยค่ยโตขึ้นอยู่ในเทาที่ใหญ่ได้ จึงจะอินทร์ศีพละกล้าจึงจะมีวิชากล้าจึงจะมีอภิญญามีปัญญาจึงจะมีทั้งปัญญามีทั้งสามัญญผลนี่เป็นสามัญญผลของเธอประการหนึ่งที่ประณีตยิ่งกว่าข้อก่อนๆแต่ในข้ออิทีิวิธีก็ทำด้วยยังจะสะสมไปเสมอเพราะฉะนั้นคำว่าขึ้นต้นว่า เทอมจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ่วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นตัวจบคือไม่หวั่นไหวคุณไม่ใช่คุณไม่หวั่นไหวแล้วตั้งแต่ต้นนะคุณสะสมความไม่หวั่นไหวเป็นตัวปลายเป็นภูเขาหินอเนินชาต้องกระทบสัมผัสจนกระทั่งตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยพปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นเจตโสอภินิโรปนาสมาธิถึงปานฉะนั้น กว่าจะเป็นอนเนญชานั้นได้จึงไม่ใช่เรื่องตื่นเขินนะนี่คือโสตทิปก็อธิบายคร่าวๆอธิบายละเอียดกว่านี้ยกตัวอย่างประกอบให้กระจัดกระจ่างพิสดารกว่านี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลานะก็คิดอยากจะไล่เจโตปริยานซึ่งเจตโตปริยานจะไม่อธิบายมากเพราะพูดถึงมากกว่าพูดถึงมากกว่าโสตทิปที่เคยอธิบายมาอยู่เรื่อยๆแล้วจ้ะแม้จะอ่านก็จะไม่อ่านละในเจโตปริยานอ่น เพราะเคยพูดถึงองค์ธรรมของเจโตปริยาน16ก็พูดถึงประกอบอธิบายมาประกอบหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่านะจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะมีจิตจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะนะจนกระทั่งถึงเป็นวิมุตติก็รู้เป็นอักวิมุตติก็รู้นะ ไล่ไปแล้วสิตัวาราคะโทสะโมหะนี่เป็นตัวราคาปาศจากก็คือมันไม่ใช่ปราศจากทีเดียวมันก็ค่อยลดละลงไปปราศจากไปในเบื้องต้นก็เป็นสังกิตจิตเป็นวิกิตจิตก็อีกสอแล้วนะราคาโทสะโมหะกับราคาอัโทสะอัโมหะหแล้วนะเจสังกิตวิกิตตสังกิตวิกิตตนี่คือทําได้ขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่โปร่งหรอกสังกิตต์ท่านแปลว่าหดหู วิกิตาสแปลว่าฟุ้งซ่านแปลโดยภาษาซื่อๆของท่านนะ่ะแต่อาตมาไม่แปลซื่อๆนั่นหรอกมันยังไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละสังกิตตะนี่แต่ลดได้บ้างแล้วราคะโคตรโทรสะโคตรโมหะโคตรก็ทําเป็นอะราคะอะโทสะอะโมหะลงมาได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ผ่องใสยังเป็นได้แค่ลดได้บ้างแต่มันก็ยังหูหูเหี่ยวเียวอยู่บ้างยังไม่สมบูรณ์หรือแม้ กระเซ็นกระสายอยู่บ้างเป็นฟุงซ่าเป็นวิกิตะมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มัติมายังไม่พอดีหรอกนี่อีกคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราทําให้ยิ่งกว่านี้เป็นมหักตะมหักตะให้ยิ่งกว่านี้มันไม่มหักตะก็รู้ว่าแม้มันก็ไอเท่าเก่าได้แค่สังกิตะได้แค่วิกิตะแค่นั้นนะมันไม่มหักตะนะก็รู้ว่าเป็นอมหคตะรู้ละเอียดละอ่อยงั้นทําไม่ได้ทําให้ดีขึ้นมาแม้เป็นมหคตะแล้ว ก็ต้องให้รู้ว่ามหมายมันดียิ่งขึ้นขนาดนี้แล้วนะแต่มันก็ยังชัดอยู่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกนะเป็นสจัจตตจิตะนะฮะสัอุตรจิตะนะเป็นสัอุตรจิตะจิตอื่นที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะจิตที่เราได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะรู้แต่ดีแล้วเป็นมหากตะแล้วดีขึ้นมาแล้วยิ่งดียิงย่งใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ยัง ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องมีญาณปัญญาของเรานี่คือญาณของเธอประการหนึ่งยังสามารถยุด ร, รู้ได้ละเอียดเลยว่ายังยังดีกว่านี้ยังมีอีกจิตยังไม่สมบูรณ์หรอกจนเป็นอนุตรจิตก็รู้ว่าอนุตรจิตจิตดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราก็ทําได้สบายใจแข็งแรงแท้จริงแม้แต่คุณจะเข้าใจว่านี่เป็นอนุตรจิตมันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกหรือจะให้สมบูรณ์เลยก็ได้อนุตรจิตเป็นเจโตสมถะที่ไม่ ที่สูงสุดล้เป็นเจโตสมาธานิ่งแน่ไม่เป็นอน en ชาเลยไม่หวันไหวแน่ก็ตามแต่ก็ต้องเรียนรู้อีกว่านอกจากจะเป็นสัก เ, เป็นอนุตรจิตแล้วจิตต้องเป็นสมาหิตจิตนะทีนี้เขาแปลในภาษาไทยก็แปลแต่ว่าสมาธิเท่านั้นซึ่งผมเคยตั้งข้อสังเกตอัตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าสมาธิที่มาจากสมาธหั่งก็ตามสมาหิตตังก็ตามหรือสมาธิษะกก็ตามอะไรก็แล้วแต่ มันไม่ใช่ความหมายของมันเท่านั้นนะพระบาลีของท่านไม่ได้มาแปรซ้ำซ้อนกันเล่นโกโก้โกนะมันมีนาัยยาละเอียดลึกซึ่งผู้มียานที่ละเอียดยยบคายจึงจะรู้นะอย่างที่เคยวิเคราะห์วิจัยมามากวันนี้ก็ไม่พูดต่อนะเพราะจะต้องมีสัสมาหิตะมีสมาธิชนิดที่มันตั้งมั่นด้วยมีคุณค่ามีประโยชน์ ด, ด้วยจะแปลสมาธิว่าตั้งมัน่นไม่มีปัญหาแปลซ้อนด้วยเพราะอนุตตระมันสมาธิแล้วเนี่มันตั้งมั่นแล้วนะ มันดีด้วยมันเป็นสมถะจิตจํางเก่งแล้วด้วยแต่ต้องมีประโยชน์มีปรรัญญาสมถะตัวเดียวไม่ได้มีปัญญามีประโยชน์มีสมัมผัสสัมพันธ์กันรู้คุณค่าขณะนี้เราประกอบไปด้วยการงานรึประกอบไปด้วยการหยุดสิ่งที่หยุดก็รู้ว่าหยุดอย่างสนิทดีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าให้เกิดก็เกิดไปให้ปรากฏก็ปรากฏให้ไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏตามที่เรามุ่งหมายทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่แท้จริงสามารถกําหนดกายกําหนดวิจีกําหนดมโนได้อย่างแท้จริง กำหนดอย่างที่เราเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดเราจึงสามารถพิสูจน์พระพรทเจ้าถึงสามารถพิสูจน์ว่าก๊อดอยู่นี่เองเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับก๊อตเราเป็นฉายาพระเจ้าเราเป็นตัวแทนพระเจ้าพระเจ้าเป็นเช่นไรเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราก็เป็นผู้สร้างเราสร้างแต่กุศลพระเจ้าไม่ใช่ซาตานพระเจ้าไม่สร้างสิ่งชั่วสัพ ป, ปาปัสะอาการะนังบาปทั้งปวงเราไม่กระทำเลย กุศลสู้ปัสสัมปทาเราสร้างดีให้ถึงพร้อมเสมอสัจิตต์ปริโยธปนังจิตเราเป็นอนุตตรจิตนะจิตเราเป็นสมาหิตจิตนะอสมาหิตะก็รู้อสมาหิตะแม้เรานี่เราทําประโยชน์แล้วนะแต่ประโยชน์นี้ไม่ดีประโยชน์นี้เฟอไปเกินไปป ร, นไ ป, ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่อยู่ในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเกินไปเฟอไปมากไปน้อยไปเราก็ประมาณเป็นสัมมาทั้งหมด ให้อยู่ในความเหมาะสมพอดีสร้างสัพริสธรรมประมาณการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจีมโนเมื่ออะไรมั่นใจก็ทำให้ได้ดีให้ได้มากก็สะาาสมเป็นอาชีวะก็เกิดคุณเกิดค่าเสมอเสมอเสมอเสม อ, อกว่าจะรู้อย่างที่ว่านี้ไม่ใช่ง่ายคุณฟังมีปฏิภาณปัญญาคุณฟังเข้าใจเป็นสุมยปัญญาไปจินตตาดูให้รึกซึ้ง แล้วไปประพติปฏิบัติสังสมค่อยๆปฏิบัติไปพิสูจน์ไปมีจริงไปคุณคิดดูซิว่าไม่มีของจริงพิสูจน์ือจะมานั่งเดาดนเอาคิดเอาสําเร็จแล้วออกจากถ้ามาถึงตลาตาตาตายไม่ทันยกสองเราตกมาตายไม่ได้หรอกจะมาช่วยหรือคนสัตว์ไหมจะจะเป็นโพธิสัตว์แล้วไม่ออกหรอกโพธิสัตว์ชักดาบไม่ออกจอมกระปี่นึกว่าทํากระบี่มันดีแล้วในสขบวนท่าอยู่ใน อยู่ในสำนักพระอาจารย์เก่งแล้วฝึกฝนอยู่ในสำนักพระอาจารย์เราไม่มีสิ่งไม่มีไม่เคยซักซ้อมกับของจริงเลยได้แต่เรียนกับตำราได้แต่เรียนกับอาจารย์บอกเข้าใจแหมนั่งสะกดจิตอะไรทำเองคุณตองไตัวเองก็ตามออกมาชักดาบก็ฆ่าศึกไม่ได้เพราะสองเพลงแล้วเพราะไม่รู้เหลี่ยมนะมันไม่ใช่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายๆ่มันไม่ใช่ว่ามันจะสามารถนะจริงๆรินะ สายเจโตจริงๆสายฤๅษีจริงๆนี่จะรู้สึกมากเลยลุงนี้ไออันนี้จะพูดได้เข้าใจง่ายแต่สายปัญญาหรือว่าสายพวกชอบออกไปปะทะเป็นกระบี่จอมกวนชอบไปกวนคนอื่นก็มากๆนี่จะจะจะจ ะ, จ ะ, จะไม่รู้สึกว่ามันทักไม่ออกจริงๆนะเพราะพวกกระบี่จอมกวนนี่จะชักกระดาบชักดาบเรื่อยเลยพวกกระบี่จอมกวนเนี่ยแต่พวกปัญญาพวกชอบฟุ้งซ่านอวดโอนี่จะกระบี่จอมกระบี่จอมกวนเนี่ย ชักดาบรุ่มเรื่อยไปไม่ควรชักก็ชักนี่พวกจุปก็มีจอมควรแต่พวกที่เป็น ส, สมรรถะสายเจโตนี่ไม่ค่อยชักดาบหรอกพอชักเขายิบชักไม่เคยออกนึกว่าเราแน่แล้วไปชักออกไม่ได้ถึงสองเพลงไม่ดูเหลี่ยมเขาไม่รู้นะนี่มันสังคมมนุษย์หรือว่ามนุษย์ชาตินี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่คิดเอาเดาเอาเพราะเราจะต้องสะสมไปทั้งหมดมีอำนาจเจโตปริยานด้วย สามารถรู้จิตเขาจิตเรารู้เหลี่ยมเขาเหลี่ยมเรารู้เสียงสองรู้อะไรอะไรต่างๆนานาต้องมีครบอภิญญานะมีครบอภิญญาจึงจะเก่งจึงจะสามารถทํางานได้เก่งมากถ้าไม่มีครบอภิญญาได้อะไรมากก็ได้อันนั้นหน่อยละไปเป็นตามธรรมจนกว่าจะถึงวิมุติสัมมาหิตจิตสมมาหิตจิ ต, ว, ต, ตวิมุตตจิตอวิมุตตจิตถึงขั้นวิมุติอวิมุตคุณจึงจะรู้เพราะง้นวิมุติของพระเจ้าไม่ใช่สมถะ เป็นอนุตรจิตสมถะสงบสามารถเป็นจิตที่สะอาดผ่องแผ่วบริสุทธิ์เนื้ออะไรหมดแล้วเป็นอนุตรจิตไม่ใช่ดูจิตดวงเดียวจิตนั้นจะต้องให้เกิดก็ได้ให้ดับก็ได้คู่กันไปนะมีอิทธิวิธีทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้จริงๆริงนะตัวที่หายไปก็คือกิเลสมันหายไปอยู่หายไปอยู่ก็รู้ว่ามันหายไปอยู่ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่แต่ตัวที่ให้เกิดให้เกิดจัดด้วย เช่นว่าผมจะให้พูดดังผมก็พูดดังออกมาได้ตามกําหนดเอาโกรธปูพูดด้วยหรือเปล่าไม่มีนะมีเสียงสองรู้นี่เราพูดนี่เราโกรธพูดด้วยหรือเปลามีโทสะมีโลภะโลภมากไปหรือเปล่าพูดดังๆนี่โลภมากอยากจะให้คนได้เข้าใจอยากจะให้คนได้ยินดังๆมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งกระทุง้งกระแทงกระแทกแรงเกินไปแล้วนะเขาก็าเถือนแล้วนะรู้หรือเปล่าต้องคํานวณประมาณเลยนะนี่มีมิเตอร์รับ ยิงสะท้อนมีเรดาร์จับต่อด้วยโอกระแทกแรงไปฮะแม่คนนั้นเอียงเลยอืต้องเบาลงแล้วนะรีต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเลยนะ่ไม่ใช่เรื่องตื่นเขินนะเร็วยิ่งกว่าเครื่องวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ที่มีเรดาร์ตอบรับมีไมโครอะไรรับอยู่นี่นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิ่งกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี่นี่ยิ่งกว่าเครื่องมหาคอมพิวเตอร์นะฟังให้ดีแล้วจะรู้ว่าปาฏิหารอิทธิต่างๆ ในวิชาอภิญญาต่างๆนี่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเครื่องมิเตอร์โลกทําไม่ได้เครื่องมิเตอร์มิเตอร์โลกมาทําอย่างคนไม่ได้คนจะเก่งอย่างที่ว่านี้นี่ไม่นชื่อเรื่องเด่นพูดไปแล้วยิ่งจะเห็นเลยว่าถ้าพระหรือคาารว่าก็ตามที่อย่างรู้จะรู้เลยว่าขณะนี้เนี่ยพระโพธิลักษณ์กำลังคุยโตขึ้นไปเท่าไหร่แม้ท่านพูดยังกะท่านรู้ท่านพูดยังกะท่านเป็นท่านพูดยังกะ ท, ท, ท่านแน่ ก็จะเพิ่งเชื่อก่อนว่าอาตมาเป็นอาตมาแน่อย่างที่พูดนี้หรือเปล่าแต่เมื่อฟังไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าคําอธิบายนี้มันไม่ใช่เรื่องตื่นนะมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่ตื่นต้องฝึกปรือและคิดดูซิว่าวิชาความรู้ขนาดนี้ไม่ฝึกปรือไปนั่งเดินดาวอยู่ที่ในําในเขาที่ไหนแล้วก็มาออกมาตาลาตาตาได้เหรอรับรองฟักทองเอามาห้อยปุงก็ลุดหลุดโป๊ะเลยเท้าขาดทันทีเลยเป็นใจได้อะไรไม่ได้แล้ว คุณเห็นค่าของมรรคองแปดขึ้นอีกไหมเห็นค่าของมรรคองแปดเข้าใจมรรคองแปดขึ้นอีกไหมว่าเป็นทางเอกทางเดียวเป็นทางวิเศษเป็นทางใหญ่จะมีอุปการะโดยทางอื่นประกอบมลเดี๋ยีเขาประพฤติบ้างปฏิบัติบ้างจะนั่งจะอะไรอะไรบ้างก็มีนั่งเราไม่ปอนมาเราไม่เกี่ยงจะนั่งบําเพ็ญนั่งปฏิบัติอะไรประกอบด้วยต้นนั่งแต่ไม่ใช่ทางเอกคุณเห็นทางเอกนี่ใหญ่ขึ้นอีกไหม ทางประพฤติทางปฏิบัติของมูริเจ้านี่ใหญ่ขึ้นหนิงมั้งไหมวิจิตพิสดารขึ้นหนิงมั้งไหมนะวันเมื่อเรามีเจโตปริญานมีเตวิชโชบุเพนิวาสานุสติยานบุเพนิวาสานุสติยานแบบง่ายๆก็เป็นนั่งง่ายๆเป็นนั่งไม่มีอะไรสัมผัสแต่ต้องมากกระลึกทบทวนไอ้นันแบบง่ายเอาทีนี้จะบอกวิบุเพนิวาสานุสติยานตัวยาก กระทบเดียวนี้มีโสตเทพเดียวนี้เพราะคุณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเดียวนี้พอคุณกระทบพอคุณพูดไปเสียงพูดไปกระทบเขาเขาเกิดปฏิกิริยาพอเขาเกิดปฏิกิริยามันก็สะท้อนเข้ามารับมาดที่คุณเหตุการณ์นี้เกิดผ่านไปเป็นวินาทีใช่ไหมคุณระ ล, ลึกย้อนเก็บสภาพที่เกิดนี้ ให้ไวไที่สุดให้เร็วที่สุดบุพเพแล้วแล้วคุณก็จะเห็นโสดทิคุณก็จะเห็นเสียงศอกแก้ไขทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ดีเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยเราทำไปเมื่อกี้พลาดไปแก่ปับ๊บแก่ทันทีบุพเพนิวาสานุสติอย่างนี้เหนือชั้นก็เป็นนั่งไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยๆย้อนไปง่ายๆไม่ต้องใช้ความมุทุภูต อ, อะไรเลย ไม่ใช่ความสามารถของฌานเป็นนั่งหลับตาซะด้วยหลับตาแล้วค่เข่าฌานไปตัดทวารห้าแล้วก็ค่คไปนึกคิดแล้วค่อย ล, ยลึกย้อนโอ้โหไว้วินาทีที่ผ่านมานาทีที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาช้าเหลือเกินต่อยช้าเหลือเกินต่อยนั่นไม่ใช่ลักษณะฌานที่มีความว่ามุทุภ um ูเตกรรมณีเยเพราะอย่างนั้นไม่เหมาะกับการงาน ใช่ไหมแต่ถ้าแววไวอย่างงี้สอดคล้องความหมายไหมก็ทบปั๊บรับรู้ทันทีเลยมีเรียนไที่ไวยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ตอบรับแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลาเลยคอนโทรลควบคุมของเราเองปรับปรับสอดคล้องกับคาว่ามุทุพุทเตไหมกรรมนิเยไหมยังไงเหมาะกับการงานอะไรนะเขาชักดาบฟันคอขาดไปหท่อนแล้วไอ้อย่างนี้แก่ทันทีทันทีทันการ เอาหลักวิชาประกอบอธิบายด้วยเพราะฉะนั้นบุเพนิวาสารนสติญาณอย่างพาซื่อ ง, ง, งออ่ายๆก็ไปภายหลังพัดนุน่นป่าเขาถ้ำลอมฟางนั่งบำเพญญ็ญยาให้ง่วงย่าให้มินิวอนห่ 5. ใช่ภาษาของชั้นปฐมก็เรียนกันไปประกอบนี่เราก็เรียนปฐมกันอยู่ไม่ต้องหลังพัดนะขนาดทําภากเย็นด้วยซ้ําไปกินข้าวตั้งแต่เช้ายังมานั่งง่วงนั่งโง ก, กันอยู่นี่ก็ฝ้ากันไปก่อน เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่สอนคุณว่าพวกท่านฉันอาหารหลังพัดแล้วโน่นป่าเขาทํารอมฟางไปนั่งตั้งกายตรงดํารงสติคงมัน่นไปนั่งตั้งกายตรงดํารงสติคงมัน่นอย่าให้มีนิวรณ์ผมยังไม่สอนคุณหรอกผมยังไม่ท้าคุณหรอกเพราะผมแน่ใจผมแน่ใจว่าคุณมีนิวรณ์แน่ เพราะเอาแค่นี้ไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ใช่เรื่องตื้นนะทิพูดนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งและต้องรักพากเพียนสะสมกันไปเพราะผมเองผมก็ไม่อิจนาละอาใจอะไรออกเพราะผมรู้อยู่แต่เราควรจะช่วยตัวเรากันเองว่าให้มันเก่งขึ้นกว่านี้นะเราประมาทไม่ได้นะนับวันเราโตขึ้นนับวันคนอื่นเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อย่างที่เรารู้นะเขาเห็นแค่นี้มันเห็นหนังน่งพระนั่งง่วงเขาก็ว่าแล้วเขาก็ติทันทีแล้วเราจะไปเถียงเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ง่วงนี่คือความดีคุณไปเถียงก็ได้ เาไม่เทียงก็ได้เทียงไม่ได้นะเทียงยังไงก็เถียงไม่ออกนะหวงรนี่คือความดีไม่ได้สายนั่งหลับตาเขาสนุกเขาหนั่งแล้วเขาก็มีเครื่องเล่นเขาหนังแล้วเขาก็ภาคภูมิใจเขาก็สนุกเราก็ควรจะภาคภูมิใจแม้เราไม่มีของเล่นเราก็มีของจริงนะเราไม่มีไปเที่ยวอะไรเที่ยวสวรรค์วิมานเมืองนรกมีอิทธิวิธีเล่นแบบของเดรัจฉาวิชา มีเอาจิตไปเล่นนั่นเล่นนี่เราไม่มีของเล่นเหล่านั้นก็จริงแต่เราก็มีของจริงที่ควรจะภาคภูมิควรจะสั่งสมอุสาหาวิริยะทำเอาจริงๆนะปากพูดไม่ ไ, มได้บอกแล้วว่าพวกคุณเป็นเนยยะบุคคลนะไม่ใช่ผู้ที่มีบารมีสูงอย่าหาว่าดูถูกอย่าหาว่าข่มเลยอุตสาหาวิริยะเธออย่าประมาทเลยโทษภัยมันมีผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วใช่ไหม ผู้ทิพย์จำเปใช่ไหมคาศัดมันยังมีใช่ไหมผู้ประมาคือผู้ที่ตายแล้วนะไม่ไม่ไม่งอกไม่เงยนะตายแล้วนี่ไม่งอกไม่เงยไม่เจริญนะเพราะงั้นอย่าประมาทเลยนะพยายามภาคเพียรุตสาหาวิริยะไปผมไม่บังคับนะอาตมาไม่บังคับแล้วก็เห็นใจจริงๆบอกกรงกรงเลยเห็นใจผู้ที่มาแล้วมันไม่ได้เอาเธอไม่เป็นไรไม่ได้อะไรอื่นก่อนเดินจงกรมทํางานทำไมหนุ่นไปพรางก่อนเห็นใจจริงๆ บอกแล้วว่าการนั่งหลับตานะหรือว่าการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ขั้นตน้นแต่เขาหลงผิดวันนี้เป็นขั้นต้นกันเห็นไหมเขาหลงกัน จ, จริงจั ง, จ ง, จงถ้าว่าจริงแล้วนะพูดให้ตรงเลยนะมันต้องฐานอนาคามีรู้ไหมมันนั่งานาปานสตินี่แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะพวกเราเนี่ยทาเถอะโสดาอศกิทาก็ทํำได้นะ แต่ฐานจริงๆตรองตรงนะมันก็เหมือนมาบวชนี่ต้องอนาคามีในที่จริงเนี่ยมาบวชเนี่ยต้องทิ้งทรัพย์สมบัติญาติปริวัติตังปะหายะโภคคัันทาปหายะจริงๆนี่มาบวชถ้าอย่างนี้แล้วก็รับรองไม่ศึกนะยาติปฏิวัติตังปะหายะโภคคัันทาปหายะไม่ศึกไอ้นี่ไอ้ลองต้องแต่งเลยไอ้ญาติเก็าของเราไอ้โภคคัันทาพอมาแล้วได้ทรัพย์สมบัติบางก็ออกไปใช้เงินสัหน่อยหรือว่ารู้วิธีการจะหาเงินแล้วก็ออกไปหาเงินซะก่อน เป็นลองของกันหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือมันมีทางนี้กับบีบขั้นเป็นเหตุปัจจัยด้วยโ อ, โอ้เราอยู่ก็ยากนะลำบากไอ้ไม่อยากจะออกไปเท่าไหร่เรามีฐานยาติปริวัติตังก็ตัดพอสมควรพวกคาคันธาก็ประหายะพอสมควรแต่ถูกทางนี้บีบออกไอ้เหลือเสียอยู่เท่านั้นเอามันแล้ววะตกกระไดพอจนออกก็ออกก่อนเถอะทุกนัก ที่นี่ถีบแรงเกินไปทนไม่ได้เพราะตัวปลดปลงไม่ได้เพราะตัววางใจไม่ได้อยู่ที่นี่ก็มีขัดมีกลาวมีนวนมีนี่ยิงแค้นยิ่งคันเราก็ถือมานะมานะเราก็มากก็แก่นก็แข็งก็ แ, ง แ, งแรงต้องโดดออกไปท่านั้นก็ต้องโดดออกไปก่อน to to น, on, นี่ก็เป็นได้ระมัดระวังนะแต่ถ้าเผื่อว่าพ่อตีแข็งแรงจริงแล้วเป็นพระอนาคามีร้อยเปอซ็นต์ไม่มีทางออกไปหรอกพระอนาคามีที่แท้จริงแล้วมานะไม่ใช่มีมากนะมานะมีมากไม่ใช่พระอนาคามีที่แท้นะ ถ้าปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นกลางตายที่ถูกต้องมานะละมาตั้งแต่ปุตุชนโสดาสกิทาอนาคาตามมาเรื่อยๆเพราะเราปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่ว่าเราละสังโยชน์สละสังโยชน์หละสังโยชน์สิไม่ใช่นะเราละสังโยชน์สิจริงไม่ใช่13บสาเลยละสังโยชน์สิพระปุตุชนเนี่ยมาเป็นโสดานี่ละสังโยชน์สิ แล้วค่อยมาเป็นส ก, กิทาก็ละสังโยชนิสิมาเป็นอนาคาค่อยละสังโยนหฟังออกไหมฟังไหวไหคือสังโยนนี่มันซับซอ้อนคุณเองคุณจะไม่ละมานะก็ไม่ได้นะบอกแล้วว่าส ก, กายะตัวแรกที่สุดของปุถุชนที่จะมาเป็นโสดาละมานะาตัวที่ถือตัวทิชาความรู้ของข้ามีเยอะนะฟังพุทธพจน์มาก็มากอ่า ท่องจำทรงจำไว้ไว้ก็มากสอนคนอยู่ก็เจ้าเจ้าแต่เป็นปทัทภประมะพวกนี้สักกายะใหญ่เยอะไม่ได้กินหรอกเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ออกแต่ปฏิบัติทําไม่ได้เป็นลุอะไรหรอกเป็นปุถุชนอยู่อย่างนั้นแหละโมฆะโมรุษอยู่อย่างนั้นแหละเพราะตัวสักกายะใหญ่ที่ถือตัวถือ ต, ตนมานะข้อแปดนะมาณนะนี่ก็ปุถุชนนี่บ้านเบี้ยงไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะ มาแก้ไขมานะด้วยแก้ไขอุทธจักด้วยแก้ไขอวิชชาด้วยสังโยชน์ข้อสิข้อเก้าข้อ8แก้ด้วยไม่ใช่ไม่แก้ถ้าคุณปฏิบัติมาถูกทางบอกแล้วคุณรัสังโยชน์มานี้มากมากมันจึงจะเลื่อนพระอนาคามีร้อร์ซตไม่ใช่เป็นคนมีมานะมากมันจะเป็นคนมีอุทธจักมากก็อนาคามีไม่เวียนกลับแล้วถ้าอนาคามีจริงมีมานะมากมีอุทธจักรมากแล้วมันจะมา ไม่เวียนกลับมาเกิดอีกได้อย่างไรมันยังมีกิเลสอะไรอื่นๆเป็นโลกีโลกีอยู่ในแม้จะเป็นฝั่งมานะเป็นฝั่งกามก็ตามมันก็ต้องพาวุนเข้ามาจนได้เลยไม่เอาข้างหนึ่งมามันก็เอาข้างหนึ่งมาไม่เอาข้างกามมามันก็เอาข้างมานะนั่นแหละโทโทมาพระโพธิสัตว์หมดกิเลสเป็นอรหันตผลเป็นพระอารหันแล้วปรารถนาพุทธภูมิ ไม่ได้เอาการ ม, มานะมาเกิดเอามานะมาเกิดนะฟังให้ออกเพราะฉะนั้นเรื่องการทนไม่ยิ่เจ๋ยล้อเวลามาปฏิบัติภูมิพระพุทธเจ้าถึงโตแต่งงานอายุ16ใช่ไหมแต่งงานอายุ16 29ก็ค่อยได้มาหนองแมฝีมือแย่มากถ้าไม่ระสาเนะเรื่องการไม่ระษาจริงจริงนะไม่ต้องเอาใครเอาอาตมาในผู้หญิงยังต้องปล้ำเลย ก็แค่พระโพิษัตท์จัารตมานี่เล่าให้ฟังกรงๆอะ่ะชาตินี้เนี่ยมมันขายกิหน้าชายต้องเกินให้ผู้หญิงปล้ำอัตมาก็เคยเล่ามาแล้วอัตมาเคยถูกผู้หญิงปลุกปล้ำนี่ไม่ใช่โชนะน่าอายนะเมื่อฝีมือทางโลกแล้วน่าอายแต่ทางธรรมน้าภาคภูมิไม่ใช่ความด้อยของทางธรรมเลยคนที่บอกว่าไม่ปภาษีภาษาเลยเรื่องการเมืองต้องผู้หญิงปล้ำนะถ้าทางโลกเขาก็บอกโอ้โหไอ้นี่มันไม่แมนเลยให้ผู้หญิงปล้ำ ใช่ไหมแต่ทางทํานี่เทนะแต่เราอย่าไปปฏิบัตินะ่ะแต่มันปฏิบัติมันก็ไม่ได้หรอกผู้หญิงใครจะมาปราผู้ชายง่ายๆแต่อัตมาต้องสเสน่ห์แรงนะผู้หญิงถึงปราบ <c oughs> นี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่หรอกพอเวลาทางกามมันไม่ได้มาด้วยกามนะโพธิสัตว์มันมาด้วยมานะมาเกิดเอาข้างมานะมาเกิดไม่ใช่เอาข้างกามมาเกิดเพราะอาการจะมาเกิดอีกตั้งได้ แต่ตั้งมาแล้วไม่เท่าไรหรอกไม่ยี่เจ้ยหรอกไอ้นี่มันอ่อนแอแล้วมันฝ่อแล้วมันไม่เคยเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่ได้เสียใจอาตมาไม่มีปมด้อยอะไรหรอกว่าไอ้นี่การมตายด่าเฮยไม่เป็นไรมันกรรมว่าไม่เป็นไรมาชาตินี้ก็ถูกขมอมเมาเสแย่โอ้โหต้องมาล่างมาล้างอีกหน่อยก็มันเปื้อนแต่มันเปื้อนนอกมันก็ไม่เท่าไหรแต่ไม่แน่นะถ้าคุณมาเวียวาสนาไม่ดีดูดซึมก็ไปแยะล้างยากเหมือนกันนะโพธิสัตว์ต้นๆนี่ล้างยากเหมือนกันแม่มันดูดซึม มันมันต้องล้างมันไม่มันเหลือเศษ ร, รูปราคะอรูปราคะนะแต่มันไม่พาเกิดหรอกแต่มันก็มีเชื้อไม่สะอาดทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละพูดไปมันจะซับซ้อนมาก ม, มีสภาพมลรอบเชียงซ้อนมากก็ขอผ่านเมื่อมีเปียเจโตปริยญาณแล้วก็มีบุเพนิวาสานุสติญาณที่ย่อให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าถ้ายิ่งเก่งแล้วบุเพนิวาสานุสติญาณต้องยางยิ่งเป็นมุทุภูเตยิ่งต้องเร็วะระลึกได้ทันไว แล้วแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทุจริยไปเดี๋ยวนี้วินาทีที่ตกหล่นเดี๋ยวนี้เห็นทันทีรู้ทันทีมีปัญญามียานทัศนวิเศษมองทะลุแก้วไททูลเห็นทันทีไอยาสีแดงเกิดนิดนึงนะไว้เรามีโสดทิปมีเรดาร์ต่อปรับทันไวเป็นโสดทิปเห็นชัดปรับมีเจโตปริยานสามารถแก้กลับได้เร็วมีมโนมยิทธิสามารถแก้กลับได้เร็วมมาาร ก, กลับได้เร็ว จึงจะเป็นผู้ที่ยิ่งรู้จักจุตูปปาตะรู้ความเกิดความดับของสิ่งที่กุศลอ ก, กุศลได้ชัดไว้โอ้โหเกิดทันทีมีตาทิพทันไวดับดับสิ่งที่ควรดับสิ่งนี้เราเจตนาให้เกิด เ, เกิดสิ่งนี้เราก็รู้ความเกิดควรเกิดเกิดไม่เป็นไรมีปัญญารู้แจ้งแทงทะลุความเกิดความดับ มีจุดปปูปปาตายานที่แท้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอาสวะย่อมไม่พิวพรายอะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดอยู่ทรงอยู่ก็ทรงไปใช้รูปนามขันหานี้ไปตามฐานะของผู้ที่มีสัุปาทิ่เสสานิพานดังนี้เป็นต้นนี่ก็ขออธิบายเร็วสรุปลงไปถึงอภิญญาข้อสุดท้ายนี่เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องโยงใหญ่แล้วก็สัมพันธ์กันมาหมดเลยเป็นสมังคีสนับสนุนกันอภิญญาไม่ใช่เรื่องตื่นเขิน ผูพ้พูดยานก็ดีพูดฌานก็ดีพูดสมาธิก็ดีเป็นอุตริมนุสธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาพูดอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไมโครทาท์กับไมโคายาเพราะเข้าใจผิดอุตริมนุสธรรมเบี้ยวเพี้ยนศาสตร์ศาสนาจนางึงพังอาตมากล้าพูดได้ว่าผู้อธิบายสมาธิก็ดีอธิบายฌานอธิบายวิโมกข์อธิบายวิมุตต์ต่างๆมาเพี้ยนมาเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อธิบายกันอย่างเพี้ยน พออาตมามาพูดกลับมาพูดเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกลับเขาหมดขอให้พิจารณาเถิดว่าในสถานภาพที่เป็นจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ทุกวันนี้ศาสนามีริษแรงของโลกุตระมีริษแรงของปรมัทธธรรมมีริษแรงของมรรคผลจริงๆหรือมันไม่มีนะมีน้อย หาได้ยากเพราะมันเพี้ยนตั้งแต่ความเห็นความเข้าใจปัญญามันเพี้ยนอธิบายกันเพี้ยนเข้าใจไปในทิศทางออกนอกรีตนอกาศาสนาพุทธมันจึงไม่เข้าทาง ม, มันจึงไม่มีฤิไม่มีอภิญญาแล้วก็มาบอกว่าอภิญญาก็เป็นของแบบฤษีไปเลยก็เลยเละไปใหญ่เลยแท้จริงนี่เป็นสามัญญผล น, นี่เป็นสามัญญผลฟังคาภาษาสามัญ ในออกสรศาสตร์เขาก็ไม่เก่งเพียนเผลนก็แปลกันออกมาเองสามัญญผลวสูตรต่างๆพวกนี้ก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ไปแปลอธิบายเป็นวิสามัญก็คนจะมีอภิญยาต้องเป็นคนที่มีอภิญญาสุกวิปัสสโกไม่เป็นไม่ไม่มีอภิน ญ, ญาพระอรหันต์ที่มีอภิญญาเป็นบุรุษวิเศษเป็นวิสูตรวิสามัญเปล่าเป็นสามัญที่นี่ในยะของ อภิน ญ, ญานั้นในทางเอกก็อธิบายไว้แล้วผู้ใดจะมีอภิญญ า, าจะมีชละพิญญาจะมีปัญจภิญญาอธิบายไว้หมดในทางเอกจะมีจตุพิญญาจะมีที่เขาไม่พูดหรอกแต่ผมพูดเองจะมีอภิญญาสองอย่างสามอย่างสี่อย่างและอย่างใดเด่นอย่างใดชัดเฉพาะตัวและเป็นคุณธรรมของพุทธด้วย เป็นอภินยาแบบพุทธด้วยไม่ใช่เดรัจฉาวิชาเดรัจฉาวิชายกไว้คนจะมีก็มีได้เหมือนกันแต่ไม่ใช้ของพุทธไม่ใช้ใช้ทุกกดแต่พุทธที่แทใ้ใช้อภินยาใช้อภินยาผมใช้โสดทิพไหมคุณว่าถ้าคุณมีคุณจะใช้ไหมแบบพุทธสิ ต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่คุณจะมาพูดว่าใช้เหยาะเหยาะใหญ่ๆต้องใช่นะคุณไม่ใช้คุณจะไปทันอะไรแม้แต่คุณปฏิบัติคุณก็ต้องใช้เพื่อผลประโยชน์ของการละกิเลสของคุณเจตโตปริยานโดยตรงคุณจะต้องใช่ไหมคุณไม่ใช่คุณจะเอาอาสวะคยยานมาจากไหนคุณจะมีวิมุตต์อาวิมุตต์ตรงไหนคุณจะมีสมาหิตะสมาหิตะกันตรงไหนคุณจะมีอนุตรจิตกันตรงไหนถ้าคุณไม่ใช้เจตโตปริยาณทุกผู้ที่ปฏิบัติทางพระพุทธเจ้า ไม่มีอภิญญาจะไปเป็นได้อย่างไรแต่คุณอาจจะเด่นสามารถมีความรู้ในแผนแหองเจโตปริยานโอโ้โหรู้ส6องค์ธรรมนี้แจ้วชัดคุณอาจจะเก่งบางคนจะโสดทิพย์เก่งแม่รับเสียงสองเก่งรับรูปสองเก่งรับกลิ่นสองสัมผัสสองเก่งมีทิพย์รู้ส่วนเรนดาร์เป็นนักเรดาร์เพราะฉะนั้นโสดทิพย์แบบเรดาร์กับโสดทิพย์เจโตปริญาต่างกัน เจตโตปริยานรู้กิเลสตัณหาอุปทานรู้วิธีการของการละกิเลสใช่ไหมมันรู้ลาขามูลโทสะมูลโมหมู ล, มลจกนกระทั่งถึงดิมุตใช่ไหมส่วนเรดาร์แบบโสดทิพมันรู้การตอบรับมันต่างกันนะนี่มีนัยยะต่างกันเดี๋ยวนี้ก็อธิบายทั่วไปหมดเลยจูตูป ป, ป, ป, ปตาตยานเขาก็อธิบายว่าตาทิพูทิพเจตโตปริยานเขาก็อธิบายว่าตาทิพูทิพโสดทิพเขาก็อธิบายว่าจากขุดทิพตาทิพูทิพและเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรก็อธิบายไม่ออก ใช่ไหมแต่มันต่างกันนะโอ้โหเป็นแผกวิชา8ประการ9ประการไม่ใช่ของตื่นเขินต่างกันนะและเราต้องใช้ไม่ทุกกดหรอกคุณต้องใช้ด้วยเพราะอภิญญาของวิชาต้องใช้เป็นอนุสาสนีปฏิหารฟังรู้เข้าใจเป็นความคําสอนพระธรรมคาสอนแล้วเอาไปปฏิบัติและใช้ปฏิหารนี้สําหรับเราและสําหรับท่านเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะ เอาละก็มีเวลาพอสมควรตั้งใจจะอธิบายให้มันหมดแต่มันยังมีรายละเอียดที่เราจะพูดกันอีกพูดกันได้สำหรับวันนี้มีเวลาเท่านี้ก็จะสรุปเพียงเท่านี้ในในัยอาสวรค์ขยายานที่เป็นอภิญญาข้อสุดท้ายนั้นไม่ค่อยพูดกันอีกนะซึ่งเคยเน้นประเด็นสําคัญข้อสังเกตสําคัญให้ฟังแล้วว่าเราพ้นทุกนั่นไม่มีปัญหาโสดาบันก็พ้นทุกในฐานก็โสดาบันสกิทาคามีก็พ้นทุกสกิทาคามีและหลงติดแป้นได้ทุกฐาน จึงเตือนกันว่าอย่าเป็นทำอะไรแล้วปฏิบัติธรรมะแล้วเป็นเทพดาเป็นเทพยดาองคใดองค์หนึ่งเท่านั้นไม่เอาแค่เทพยาดาองคใดองค์หนึ่งฐานใดฐานหนึ่งติดปันติดสาลเจ้าสารใดศารหนึ่งไม่พอพระพุทธเจ้ามิสรรเสริญต้องขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพ้นทุกข์เท่านั้นไม่พอทอนอาสวะด้วยในอาสวะขย า, ยานเคยตั้งกสเกตได้ฟังแล้ว ว่าไม่ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาพ้นทุกเท่านั้นแต่มีฐานพ้นทุกเป็นเป้าหมายมีฐานพ้นทุกเป็นเป้าหมายเหมือนกับเรียนอรหัตผลก่อนแล้วค่อยเรียนโพธิกิจหรือค่อยทําโพธิกิจที่จริงทำโพธิกิจไปในตัวเมื่อเราเรียนอรหัตผลมันลุไปด้วยซ้อนไปด้วยโพธิกิจไปในตัวด้วยเราไม่ต้องมาเรียนอีกคุณเรียนพ้นทุกคุณก็ถอนอาสวะไปด้วยก็ไม่ต้องมาเรียนอีก แต่คุณจะไปเรียนให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วไปถอนอาสวะมันไม่จริงคุณไม่จริงคุณเป็นโสดาไปสกิทาขึ้นไปคุณก็ถอนอาสวะของอบายมุกอะไรขึ้นมาพอคุณเป็นอนาคามีคุณยิ่งถอนเกลี้ยงเลยอบายมุกนี่คุณถอนลากเงาาอาสวะแล้วคุณขึ้นไปเป็นอรหันต์มันยังไม่เหลือกามก็ยัง้องถอนอนาคามีก็ถอนกามอาจจะยังไม่สนิทเหลือรูปราคะอรูปราคะพอเป็นอรหรันตผลก็ถอนอาสวะของรูปราคะอรูปราคะ หรือถอนร่างเงาะของกา ม, มาราคะอย่างนี้เป็นต้นมันสอดซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชลซ้อนอย่างนี้อีกต้องเยอะตังแยะพูดอย่างนี้ก็จะเข้าใจคุณสงควรสาหรับเราที่เรียนคําว่าคำภีราวภาโซหรือปริวัดซ้อนที่มันเป็นสภาพมุนรอบเฉลซ้อนเนี่ยเราเรียนกันมาจริงๆริงตั้งภาษานี้มาให้คุณตั้งก็สังเกตแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆอยู่แล้วอ้าละวันนี้ก็ขออธิบายธรรมะที่ เสริมเติมสูตรตมยปัญญาก็ไปกินตาแล้วก็ไปปฏิบัติให้มันมีมรรคมีผลของเราต่อไปขอจบการอธิบายแต่เพียงต้น